มาแล้วจะให้แสดงทำเลยนะคุยกันก่อนดีไหมเพราะยังไม่คุ้นบรรยากาศเลยแปลกๆเพราะเพิ่งออกจากป่ามาบรรยากาศส่วนใหญ่จัดตามป่าตามเขาตามน้ำตามหิวเข้ามาอยู่ในอาคารได้อะไรกันเนี่ยมันตื่นอยู่นะขอใช้เวลาความคุ้นเคยสักหน่อยก็ลงรถอากาศอบอ้าวเดินเข้ามาอาคารก็อากาศอบอ้าว ก็พิจนารณาได้เพ่ออะไรได้ยินเสียงแอหลายตัวมันคงจะดูดความร้อนทิ้งออกมาข้างนอกไอ้คนข้างนอกเลยแย่เลยเนี่คนข้างในเลยสบายอามาก็เลยเข้าไปในห้องจะเปิดแอร์หรือเปิดพัดลมดีถ้าเปิดแอร์เราก็จะไล่ความร้อนข้างในไปเบียดเบียนข้างนอกถ้าเปิดพัดลมมันก็วนไหนนี้โดนลงผิดแอร์แล้วเปิดพัดลมอ่ะ น, นะ เรานึกถึงตอนที่เราอยู่ข้างนอกคนอื่นทุกโงจะรู้สึกอย่างเราอะเนอะรู้สึกเล่าร้อนอบอ้าวใจไม่สบายแต่คนข้างนั่ง น, นี่นั่งสบายทั้งวันเลยเออไปเข้าท่าเลยก็นึกถึงคนอื่นก่อนนะฮะความที่เราได้เคยชินกับคนอื่นก็อยู่ที่ที่สุพรรณบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมากเนะี่ยในช่วงบ่ายเราก็ปฏิบัติ กันตั้งแต่เราตื่นที่สี่นที่สี่มาก็ออกกำลังกายร่วมกันเพราะมาใช้การออกกำลังกายตอนเช้าเพราะว่าตัวเองได้รอดชีวิตมาถ้าไม่ทำวิธีนั้นปั น, นี้คงจะเป็นเป็นฝุ่นเป็นฝอยไปแล้วเเป็นกระดูกเลี่ยราชอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่ว่าอาศัยสมัยก่อนเมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานเนี่ย เป็นสารพัดโรคเนาะโรคหัวใจโรคเกาพาะโรคความดันโรคไมเกรนโรคไตประสาทเสื่อมโรคภูมิแพ้ก็เลยเอเป็นพ่ออะไรเลยมาศึกษาดูอ่ถกลงรักษาโรคไหนก่อนโรคเกาพาะแรงเกิดเฟินรักษาโรคเพ่ก่อนก็ไปอ่านหนังสือ อันนีสือดูคือไปหาหมอจนที่เย็ดไปแล้วก็อันนีสีก็เออเขาบอกให้ดื่มน้ำก็ดื่มน้ำอุ่นทุกเช้าทุกเชา้าเออก็ดีขึ้นนะเอาต่อมาไมเกรนหูแพ้ทำไงไปเจอหนังสือโยคะก็ทำโยคะนะก็ดีขึ้นนะทีนี้ทำมาเรื่อยๆตั้งแต่พอสอบสรรห้าร้อย ยี่ป็นไปนมาทำมาเรืก็เลยร่างกายที่อ่อนแอก็เริ่มขึ้มแข็งขึ้นนะแล้วก็ใช้วิธีนั้นดูแลตัวเองมาตลอดจนล่าสุดพศสองรสิบเกในพบหลวงพ่อเทียนแล้วก็ลืมปฏิบัติมาแต่ยังไม่เข้าใจอะไรมากนักนะเพราะว่าในสมัยนั้นไม่ได้หลากหลายเหมือนสมัยนี้สมัยนั้นมีแต่ทำอย่างเดียวแต่ามายังรับไม่ได้ พออะไรก็เคยทาพุโทโธเคยทำอนาปนาสติมากับหลวงพ่อพุทธชาสสองสามปีมาทำหน้อยอีกปีอนี้สองปีแล้วมาเจอวิธีการเคลื่อนไหวก็ทำใจไม่ได้เพราะเราเคยทำช้าๆนั่งหลับตาเนาะเออฟังหลวงพ่อเทียนแล้วก็ข้อท่าดีนะทำไมท่านยืนยัน ขนาดว่าจะจ้างเราให้ปฏิบัติเลยถ้าวัไม่รู้เนี่มีเอาตังค์เลยนะยอมเสียตังค์ก็ไม่เคยฟังข้ะอาจารย์กรรมฐานที่ไหนจะรับประกันขนาดนั้นต่อมาออกจากสมวกมาเจออาจารย์โกวิดอีกทีหนึ่งอ า, อาจารย์โกวิดมามาวิธีการหลวงพ่อเทียนได้ไงอยู่สมวกเป็นนักวิชาการที่เป็นกรรมฐานมือขวาหลวงพ่อพุทธทาสใช่ไหมามาตามหลวงพ่อเทียนได้ไงไอเราก็งง แล้วก็เคยตามฟังอาจารย์ควิดพอปี๑๙มาได้ฟังอาจารย์ควิดพูดถึงหลพ่อเทียนพูดคือเมื่อก่อนไม่เคยพูดถึงหพ่อเทียนเวลาอาจารย์ควิทยท่านบรรยายเก่งเนาะตามมหาเลายต่างๆเพราะท่า น, นอาจารย์สอนมหาลัยศิลปกรเรามาออกบวชแล้วก็อยู่กับอาจารย์พุทธทรรมาตลอดก็เลย ฟังท่านพูดอะไรก็อ้างถึงหลวงพ่อเทียนให้หลวงพ่อเทียนเป็นใครวันหนึงอมาก็เลยตามหาหลวงพ่อเทียนก็ไปเจอที่วัดสวนแก้วสมัยนั้นปีหนึ่งหนึ่งเก้าในช่วงที่ปฏิบัติอนาปนาสติก็ดีหนอก็ดียุบพูทโทก็ดีเนี่ยไปหาอาจารย์ตรงไหนก็มักจะพูดว่าถ้าคุณไม่เข้าใจรูปนาวไม่เห็นรูปนามเนี่ยคุณจะวิปัสนา ไปไม่ได้คําพูดคําเนี้ยมันติดอยู่ในหัวเพราะฉะนั้นไปหาอาจา ร, รย์หนึ่งต้องถามคําถามวันนี้ก่อนนะไอ้เกิดหลวงพ่อหิวน้ําขึ้นมาไม่ใช่อยากจะได้ขวดน้ํามาเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์การสอนนะอก็เลยไปพบหลวงพ่อเทียนถามคําถามวันนี้อันดับแรกเลยถามหลวงพ่อเทียนว่าหลวงพ่อ ผมอยากจะรู้จักอารมณ์รูปนามเป็นอย่างไรถามหลวงพ่อเจ้าคุณเทพสิทธ์วัดมหาธาตุท่า น, นก็ตอบแบบสไตล์ของท่าน <c oughs> ถามหลวงพ่อพุทธธาตก็บอกให้ไปดูตําราอธิบายไว้แล้วที่ไม่เจอหลวงพ่อเทียนซึ่งเป็นคําตอบที่เอามาจําได้จนถึงวันนั้นจนถึงวันเนี้ยแล้วเอาคําตอบของท่านมาเอาคำปริศณาของท่านมาหาคําตอบพอพบคําตอบได้หายสงสัย ก็เลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ใช้วิธีการของท่านเพราะท่านให้คำตอบเรื่องของรูปนามได้โดยที่ไม่ต้องอธิบายแปลกไหมกระถามว่าอารมณ์รูปนามเป็นไงผมอยากจะรู้เขาด้ียผมถามอาจารย์มาแล้วอาจารย์นะท่านก็ชูขวดขึ้นบอกว่าถ้าท่านเปิดขวด แล้ยนโยนกดน้ําเนี่ยไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโยมนึกคำตอบบอกไหมเกิดอะไรขึ้นน้ําหกไหลใช่ไหมทีนี่ก็บอกว่าอเอามาก็ะต่อนโยนๆนี่แหละอ่ะทีนี้ปิดอ่ะยี้ท่านก็ถามอีกทีเอาทีนี่ห้องปิดแล้วห้โยนกดที่ไงเกิดอะไรขึ้นโยมตอบว่าไง เป็นคำถามที่เราไม่ต้องตอบก็ได้อะเป็นคอมมอนเซนต์มากเลยใช่ไหย mm hmm. เมื่อมาก็ตอบแบบโยมท่านบอกว่าไงท่านบอกท่าน ง, งั้นไปหาตัวนี้มาแล้วก็ไม่ตอบไม่อธิบายเลยเลยนะเอามาก็เ อ, อในช่วงนั้นน่ะไปอยู่ ไอสมบรรดงนครนายกไอสมนวชีวัน น, นครนายกที่ไ อ, อสมหัวลูกช้างอาจารย์กุลวิทย์พาไปทำไอสุ่มนวชีวันที่นั่นไปกันหลายคนก็ออกจากป่านั้นมาก็มาพบท่านนี่แหละก็เไขมาเรียมันขึ้นพอดีเนาะวันนั้นก็ไปจําได้ว่าเป็นนอนจมไขมาเรียอยู่ในวัดสวแก้วเนะี่ยหลังจากได้ได้ฟังคําตอบของท่านเนาะ คำตอบของท่านมาเลยติดอยู่ในหัวว่าอะไรคือตัวนี้แล้วก็ท่านก็บอกวิธีต่อมามามามาพบท่านอยู่ที่วัดสนามในนะรวบเดามาเพราะท่านก็บอกให้สร้างจังหวะมาก็ตามไปวัดสนามในได้ทําหนอโดยนโคกงมช้าๆนั่งกำนวนลมหายใจเหมือนเดิมนะยังรับไม่ได้แต่ปรากฏว่า อาจารย์กวิทย์ทตามหลวงพ่อเทียนไปวสน้ำในก็นั่งทํามือแล้วนักศึกษาครูาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์กวิตย์ตามมหาเรงกังก็ไปหาอาจารย์กวิตแล้วก็ไปหาหลวงพ่อเทียนก็นั่งทํามือตอนนั้นเราการเรียนมหายาจุลาเอามารเรียนมหายาจุลานะี่อยู่ปีสองตัวเองก็หอบหนังสือไปอ่านด้วยแล้วก็เห็นเขานั่งทํามือ้เรานั่งหลับตาก็อายเขาเนาะก็หลบเข้าไปในสวน เพระถนบุรีมันมีสวนทุเรียนใช่ไหมสมัยก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเหลือละตอนนี้เป็นว่านแทกสันวัวล้วมีสวนทุเรียนแล้วก็เอาหนังสือไปนั่งอ่านหนะังสือเพราะมันเตรียมสอบหลายอย่างสมัยนั้นเป็นอะไรหลายอย่างอ่านไปอ่านมามันปวดหัวหัวหมุนติ้วๆเลยใ น, น, นี่สุดทําไงเอ๊ะถ้า ง, งั้นเราลองยกมือสร้างจังหวัดดูช้าๆอย่างที่ทันสาธิตนี่นแต่ทุกคนทําเป็นแล้วใช่ไหม ในลองทำให้ดูนะเหมือนอย่างที่หลวงพ่อทำไหมทุกคนทำให้ดูนะอยากจะขอดูว่าสร้างจาหวะเหมือนไหมทุกคนลองทำดูนะสร้างจาหวะนี่ก็สาคัญนะจะรู้ได้เลยว่าเป็นสมถาะาแลวเป็นมิสนา แต่ก็หลายกลุ่มลกลุ่มนู้นนั่งนู้นกลุ่มนั่นนั่งนู้ น, นไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้นั่งที่เดียวกันยังแปลกๆอยู่เดี๋ยวต้องถามหน่อยไหนก็ดูหน่อยอ๋อเชอรี่มาแล้วเหร อ, อเปลี่ยนชุดใหม่เชอรี่เฮ้ยส่วนใหญ่ก็ถูกนะแต่บางคนเท่านั้นก็เอามาก็ทำแบบนั้นเอามาทำได้ประมาณสักห้านาที หัวที่หมุนติ้วที่ติ้วเพราะไอ้ไอ้ไอปัญหาต่างๆนะมันโล่งเลยเอ๊ะมันดีเนี่ยแต่นั่งคือเวลานั้นนั่งหลับตาลุกมาเลยปั๊บเนี่ยความคิดมันเริ่มมาแล้วมาโดยอตัตโนมัติของมันอะไม่รู้มาจากไหนแล้วก็มา น, นั่งยกมือเอาใจไว้ที่มือสักพักความคิดที่มันมีวุ่นมันหายไปหมดเลยนะเออโลง่งปร่งเบาสบาย แล้วเลยนั่งทำต่อตัวนั้นอ่ะอีกตั้งแต่บ่ายสองโมงไปถึงห้าโมงเย็นโอ้ปรากฏว่าได้คำตอบได้คำตอบก็เลยพยายามทำคือแอบทำานะแต่เวลาเดินจงกรมยังใช้หนออยู่เพราะอะไรเดินแล้วรู้สึกมันมันเป็นจังหวะแล้วก็ชัดเจนดีใช่ไหม วันหนึ่งหลวงพ่อเทียนท่านก็นเข้ามาถามเอ๊ถ้าสมมุติว่าคุณนั่งคุณเดินเจ้ากโกมเงี้ยถ้าหมาเข้าครัวหรือไก่ขึ้นบ้านเนี่ยคุณจะไปไล่มันทันไหม <c oughs> เาขาเดินอย่างนี้ก็ไม่ทันหรือว่าเดินยังไงก็เดินปกติทำมันได้ทําไมไม่เดินแบบนั้นอ่ะทําไมต้องเดินแบบนี้นะ่ะ อ, อถ้ากลับไปวัดตอนนี้มาอยู่วัดประยูนถ้ากลับไปวัดถ้าไปเดินแบบนี้ เขาจะว่าไงนะแสดงว่าสิ่งที่ท่านปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับชีวิตจริงเพราะนั้นต่อให้คุณปฏิบัติปรปดงตายก็ไม่รู้โอ้โหคำนีนะ้เสียแทงมากเลยนะก็เลยไม่กล้าเดินช้าละเห็นท่านแล้วลัวท่านจะว่าอีกก็เลยเริ่มเดินเนื่องจากตัวเองเป็นคนจริงจังมากเกินไปนะทำอะไรก็ทำจริงๆ นี้พอเดินแล้วมันก็เลยเออสบายได้อารมเดินจนกระทั่งวัดศะน้านัยเมื่อก่อนเขาถมทรายเนะาะเดินจะเป็นล่องลึกเลยมีอยู่วันหนึ่งเอ๊ถ้าสมมติว่าเราเดินตลอดเน่นั่งตลอดสลับไปสลับมาทั้งวันทั้งคืนนี่จะเกิดอะไรขึ้นก็เลยลองดูพอสวดมนต์เสร็จประมาณสองทุมฟังธรรมเสร็จสองทุ่มก็เดินจงครมสร้างจังหวัดสลับกันจนยันสว่างถึงวันที่สามทำอยู่ คือวันที่สามปรากฏวันที่สามพอพอสลัวสลัวเจสว่างนะมันเห็นต้นไม้วัฒนธในมันพลิกมันเอาไอ้ลากขึ้นแล้วมันปลายลงนะ่ะปลายลงที่นี้เอามาก็ชี้ให้พระอยู่ ใ, ใกล้ๆดูเฮ้ยดู ด, ด, ดูต้นไม้มันทํำไ้ลากมันพลิกปลายมันลงทีนี้มีพระองค์หนึ่งก็เลย ม, มาดึงแขนพระองค์นี้ประสาทแน่นอนแล้วย่างนั้นประสาทกลับเราอ่างนั้นเหรอก็ดึงแขนไปพบตอนนั้นหลวงพ่อเทียน ยังยังไม่ยังไม่มาที่นั่นมีอาจารย์ทองล้วนะอยู่แทนก็เลยให้อาจารย์ทองล้วนแกแกอารมณ์ก็ปรากฏว่าตอนเย็นมาตกตอนเย็นมามันปิติมันขึ้นมันเดินไปแล้วมันเขามันลอยอ่ะเดินเสลทะราไปดูนไปนี่เขาเห็นเขาไปเจ้าแขนมา ไปหาหลวงพ่เทียนที่นี่หลวงพ่เทียนจับแขนนั่งลงแล้วท่านก็เอามือมวยขีดอะไรไม่รู้บนอาหารว่าอย่างไรอันนี้เป็นยังไงอะทำก็ฟังท่านจิตของเรามาอยู่ที่นี่มันมันออกจากตัวที่เรากําลังเพ่งอยู่ตรงนั้นที่เป็นปิตินะมันออกมาอยู่ข้างนอกมันก็เลยหายท่านบอกว่าต่อไปอยไปทํำคือทําให้สบายไปทําอะไรมากเกินไปทํามากเกินทําดีมากเกินไปมันก็ไม่ดีอทําให้มันพอดี ท่านก็รู้ว่าเราเดาบนนอนบอกว่าเลิกอย่าทําทําอย่างนั้นแล้วมันเดี๋ยวมันจะเป็นบ้ามันเพี้ยนอย่างก็เลิกก็ทํามาเ ร, เรื่อยเรื่อยแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเรียนหนังสืออยู่ไปไ ป, ไปมามาทาบ้างไม่ทําบ้างแต่เข้าใจนะท่านพูดอะไรเข้าใจทีนี้การที่ฟังหอวงพ่อเทียนสมัยนั้นน่ะมันเป็นภาษาพื้นบหันของท่านนะะปนกันภาษามืองเลยภาษา มึงเลยฟังแล้วไม่ชัดก็มีหลวงพ่อคำเขียนมาช่วยหลวงพ่อคำเขียนอาจารย์ดามามาช่วยขยายอาจารย์กุวิดออธิบายคําพูดหลวงพ่อเทียนท่านเหล่านี้ช่วยได้เยอะนะะก็ปรากวดว่าเข้าใจแต่เข้าใจได้แต่ว่าถ้ามีอารมณ์มาอะไรมากระทบอะไรแรงๆมันก็ยังรีบยังเร่าร้อนเหมือนเดิมถ้ามีอะไรมาเขามาว่าอะไร ชนถกชนเถียงไม่เห็นด้วยเนะี่ยก็ยังยังขัดขัดแย้งเหมือนเดิม <c oughs> เอ๊ะเมื่อไหร่มันจะหายทีก็ <c oughs> ทำจริงจังนะต่อมาก็ถึงปีสองเจ็ดสองแปดเลยขึ้นไปจำพรรษากับหลวงพ่อค <c> ำ <oughs> เขียนอยู่ป่าสุกตูสองวันษา ก็ได้อารมณ์แต่ว่ายังไม่ไม่ชัดเจนปีสองเก้าเรากลับมาจำพรรษาวัชาน้ำในกับหลวงพ่อเทียนอีน <c oughs> นี้คาว่าเก็บอารมณ์เข้มในสมัยนั้นมันยังไม่มีนะทีนี้ก็เลยบอกท่านว่าในพรรษาเนี่ยจะให้ผมปฏิบัติอย่างไรหลวงพ่อบอกเข้าพรรษาหลวงพ่อบอกว่าถ้าอย่างนั้นเก็บอารมณ์เราเก็บอารมณ์เข้มดูก็เราเข้าเก็บอารมณ์เข้มอยู่ หกวันพอวันที่วันที่หนึ่งถึงวันที่ห้านี่ไม่ได้อารมณ์เลยนะ <c oughs> เดินกลับไปกลับมาในห้องเหมือนเสือติดจันทร์จิตมันออกไปข้างนอกหลวงพ่ อ, อก็ไล่ปิดประตูหน้าต่างหมดอ่ะไม่ให้ออกมาข้างนอกให้โยมไปส่งอาหารเราพอตอนเย็นมาตอนถึงเวลาจำวัด <c oughs> แล้วก็ตามบรมงหายใจหนอแบบแบบหนอที่เเคยทํำนะทําเขา้าเขา้ายุบหนอพองหนอปรากฏว่าจิตของเราที่ตามบำรุงหายใจมันปลื้ดเข้าไปหายไปเลยแล้วตัวแข็งทื่อเลยทีเนี้ยมันจะว่าหลับก็ไม่ใช่ไม่หลับก็ไม่เชิงแต่มันดิ้นไม่ได้นอนทื่ออยู่นันนะกระดิกกระเดี่ยวไม่ได้จนกระทั่งผ่านไปชั่วโมงมันเป็นเผลอกระตุกลมหายใจแล้วมันดิ้นได้เออแปลก ทำไมไปอย่างนั้นเราก็นอนใหม่แล้วก็ทําใหม่ทําไปทไํามาหลายรอบเป็นเหมือนเดิมเข้าตัวแข็งเข้าสมาธิตัวแข็งได้อ่านอนทําเอานั่งทําทําได้ยืนทําทําได้ปรากฏว่าคืนนั้นนอนไม่ได้ถ้านอนแล้วมันเกิดนิมิตแล้วมันพุ่งเหมือนเราห่อไปในอากาศจนกใกล้สว่างมาหาลวงพ่อเทียนว่าหลวงพ่อผมทําอย่างนี้นไม่คืนอ่าได้อารมณ์ดีได้สมาธิผมเข้าตัวแข็งได้บอกท่าน ว่าเราเข้าสมาธิได้แล้วท่านบอกว่าวิธีการมาเนี่ยผมทำมาก่อนนี้คืออาจารย์ทั่วไปบอกว่าเข้าฌานเข้าสมาบัตเข้าสงบอะไรความจริงมันไม่ใช่ความจริงอันนี้คือการสะกดจิตตัวเองบังคับอย่างนี้ได้ผมเคยสอนมาด้วยแค่เดือนเดียวก็บอกให้ทำได้แล้วแล้วส่วนใหญ่ก็เข้าใจอย่างนีน้คือการทำจิตให้สงบแล้วเข้าสมาธิ แล้วก็นิ่งอยู่ในสมาธิท่านบอกอันนี้การสะกดจิตเองท่านบอกว่าถ้าทำไปนานๆคุณจะเป็นอมพลึกอมาพาดเพราะร่างกายผิดปกติเลือดลมมันมันไม่เดินมันผิดธรรมชาติท่านบอกว่าต่อไปให้เลิกอย่าทำแล้วกกลับมาต่อวันที่เจ็ดปรากฏว่าในวันที่เจ็ดเนี่ยพื้นที่เราเดินนี่นะในห้องเนี่ยเราไม่เคยรู้มาก่อนว่า ไอ้ตรงไหนมันเอียงตรงไหนมันลุ่มด้วยไหมเป็นลุ่มเป็นร่องแต่วันนั้นมันรู้หมดเลยพอเท้าสัมผัสพื้นมันรู้รายละเอียดที่เราเหยียบเออมันชัดสัมผัสทั้งหมดมันชัดมากอ่าพอวันที่แปดท่านก็ให้ออกมาเดินข้างนอกทีนี้ปรากฏว่ามันได้อารมณ์นั่งปฏิบัติเดินปฏิบัติมันนิ่งมันเย็นมันสงบแล้วไปอ่าสอบอารมณ์ท่าน ท่านบอกว่านี่ไงคือฝาขวดท่านบอกว่าขวดเนี่ยมันคือรูปน้ำแต่น้ำในขวดนี่เหมือนว่าคุณสมบัติต่างๆมรรคผลนิพพานทุกคนมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเมื่ออะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนว่าสิ่งมีสิ่งมากระทบขวดแล้วขวดมันก็ลม้มแล้วก็น้ำในขวดมันก็หนีหายไปหมดเพราะฉะนั้นทำไงที่มีอะไรมาชนแล้วขวดล้มแล้วก็น้าไม่หายทาไง ก็ต้องปิดตัวนี้เข้าไปถึงลมมันก็ไม่หนีไม่หายเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวสติสมชัิญะญตัวสติสมะธิยะที่เกิดจากศีลสมทิปัญญาตัวนี้ถ้าเป็นฝาปิดเข้าไปเฉยๆถ้าไม่มีเกีียวล็อกเนี่ยจะอยู่ไหมเกีียวตัวนี้มีกี่เกลียวสามเกลียวอย่างน้อยเนาะ อันนี้เมื่อการเกี่ยวที่หนึ่งคือศีลเกี่ยวที่สองสมาธิเกี่ยวที่สามปัญญาสติที่มีศีลสมาธิปัญญามันจะปิดกายปิดวาจาปิดใจได้อยู่สนิทเลยแต่ส่วนใหญ่มันปิดไม่สนิทเพราะเกลียวนี้มันไม่มีศีลยังไม่สมบูรณ์สมาธิไม่สมบูรณ์ปัญญาไม่สมบูรณ์พอน้ำในกาแทะแรงแรงมันหลุดไปเลยสติก็ยังหลุดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นลําพังแต่สติเนี่ยมันจึงจํากัด อักษ ะ, ะกิเลสไม่ได้จะน้องดำเนินตัวสี่ไปนี่ให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาด้วยได้คำตอบแค่นี้ปากนว่าปีสองเก้าปีนั้นเข้าใจเข้าใจแล้วได้คำตอบคือฟ้าขัวดต้วยพอออกพรรษาแล้วบอกหลวงพ่อว่าผมจะไปเก็บอารมณ์ต่อที่ป่าสุกกตู เพราะว่าออกพรรษาแล้วเนี่ยผมพอคําเขียนท่านนิมนต์ไปช่วยงานอบรมนักศึกษาอยู่ที่มอชอเชียงใหม่ที่วัดผาลาดออวันที่สิบห้าพฤศจิกานั้นเราก็ไปไปขอเก็บอารมณ์ก่อนสักสิบห้าวันแล้วก็ไปวันที่หนึ่งพฤศจิกาไปเก็บอารมณ์อยู่ท่านวันที่สิบเอ็ดปีสองห้าสองเก้าเดือนพฤศจิกาเนี่ยวันที่สิบเอ็ดอามาลงมาซักผ้า เสืผ้าแล้วเอาไปตากที่มันบ่ายสามโมงก็ออกไปเก็บผ้าช่วงที่เอื้อมมือไปเก็บผ้าดึงผ้ามาเนี่ยช่วงนั้นมันมันเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนว่าขณะที่เราดึงผ้ามาเนี่ยมันเหมือนวืบควรู้สึกเหมือนเรื่องระเบียบของหนักหนักมันมันหายไปจากตัวเราไปน้ําหนักที่มันหนักมามากๆที่ความคิดอารมณ์ต่างๆที่มันมันหนักมาตลอดชีวิตนี่นะ แต่วันนั้นนะนะวันนั้นมันเบาผิดปกติก็เลยความรู้สึกตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะวันที่29พฤศจิกายนประมาณบ่าย3โมงของพศ229เอ้อพศ229วันที่11พฤศจิกายนตั้งแต่นู้นมาถึงวันนี้ความนี้รู้สึกนี่เหมือนเดิม่ะเหมือนกับวันนั้นกับวันนี้เป็นวันเดียวกัน เราไปถามกลับมาหลังจากที่ไปช่วยหลวงพวกก่อเขมเขียนกลับมาทํามพ่อผมเป็นอย่างนี้ยท่านก็ยิ้มท่านก็บอกอ ม, มันสบายแล้วท่านบอกว่าตอบท่านก็เรื่องพูดเรื่องเผยแพร่ต่อไปอปีนั้นจําได้ว่าอาจารย์สายหยุดจากวิยาลัยโรงพยาบาลพุทธบทัตรสระบุรีเนี่ยเอานักศึกษามาอบรมที่วัดสนามในท่า น, นก็พาอบรมนักศึกษาแล้วสาธิตวิธีการปฏิบัติ ให้ลรวดูว่าทำอย่างไรอย่างไรอย่างไรท่านก็ให้วิชาที่มาก็เลยกล่าวว่าพอเสร็จจากงานแล้วเนี่ยจะเข้าไปเก็บปฏิบัติต่อปกวเวกเไปอยู่ป่าสักพักหนึ่งเพื่อจะทำอารมณ์เนี่ยมันได้อยู่ได้นานๆก็หลังจะเสร็จช่วยงานหลงพ่อคำเขียนแล้วก็เลยขึ้นไปที่อำเภอคอนสารที่อำเภอคอนสารชียภูมิเนี่ยมันมีถ้ำเยอะนะใครเคยไปบ้าง ทำน้ําผุดนะนะสลับซับซ้อนมาเคยไปมาก่อนนึกถึงที่นั่นก็ไปไ ป, ไปอยู่ที่นั่นเปรรษาหนึ่งแต่ว่าจะไปอยู่ในถ้ำโยมเขาเลยบอกว่าวัดใกล้ๆภูเขาเนี่ยวัดบ้านปักช่อง่ะมันไม่มีพระพรรษาเนี่ยนิมนท์ท่านไปจำพรรษาที่นั่นนิมทร์มาอยู่ในถ้ำเลยมันชื้นหน้ากลงพรรษาอยู่ไม่ได้เลยได้ออกมาอยู่วัดนั้นพรรษาหนึ่งกล่าวว่าออกพรรษามันแห้งแล้วก็เข้าไปใหม่ ว่าขุดพระออกขนสารแล้วหลวงพ่อคำเขียนกับอาจารย์ไสยหยุดเนี่ยไปตามที่นั่นวัดปรับช่องขนสารบอกว่าออกไปช่วยงานกันือเลยต้องได้ออกมาทำงานตั้แต่นั่นจนถึงบันนี้เนะี่ยพศสองรอยิบเก้ามาถึงปีนี้กี่ปีแล้วปีนี้ห้าเก้าหกศูนแล้วเนาะนะนะี่ปีอาสามสี่เหรอ วนไปน้แฟ๊เดียวในสาสี่ปีเพราะฉะนั้น เ, เรื่องคำสอนขลวงพ่อเทียนมันเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ถ้านไม่ได้สอนอะไรลึกหรอกแต่ว่าทำให้ดูอยู่ให้เห็นทำให้เป็นเย็นให้สัมผัสแล้วดูท่านแล้วมันมีกำลังมีกำลังใจตอนนั้นเองที่นี่จะฝึกสอนกันมาแบบไหนก็ตามนะ แต่ว่าเอามาจะเอาวิธีที่ได้ฝึกมาหลวงพ่อเทียนแล้วที่ตัวเองได้สัมผัสเนี่ยมาพาปฏิบัติเพราะในช่วงอยู่ด้วยกันสามสี่วันเนี่ยเอามาจะพลิกคว่มพลิกไ ง, งไงก็เป็นเรื่องของอาตมาแล้วเนพราะว่าเชื่อมั่นว่าถ้าทำลักษณะวิธีนี้แบบง่ายๆเบาๆสบายๆเนี่ยไม่ต้องทำแต่ว่าทำแบบไม่ทำจะว่าไงคือทำแบบไม่หยุดเหมือนกันแต่ว่ามันทาให้สบาย เราทำเพื่อดูปัญหาที่เกิดเราไม่ได้ทำเพื่อผลที่ได้แล้วทำแล้วจะได้อะไรไเราไม่ได้หวังแต่ขณะนั่งเนี่ยทุกคนยอมรับไหมว่ามีปัญหาตลอดใช่ไหมนั่งอยู่นี่หนักใช่ไหมหายใจใหญ่เป็นพักช้าใช่ไหมออระหว่างนั่งกับยืนเนี่ยต่างยังไงทุกคนรู้คนยืนอยากจะรู้ความต่างว่าขณะนั่งอยู่เนี่ยแต่คนรู้สึกต่างกันไหม ต่างไหมรู้สึกเป็นไงระหว่างนั่งกับยืนต่างยังไงยืนแล้วรู้สึกยังไงเบาใช่ไหมตอนนั่งเป็นไงตอนนั่งเรารู้สึกว่าแล้วจะบอกว่ามันหนักก็ไม่ใช่แต่มันต่างกว่าเวลายืนแล้วมันต่างกว่าเราถึงเห็นความต่างใช่ไหมความต่างนี้เราเรียกว่าความหนักความเบาแล้วความหนักมันหายไปไหนเวลาลุกขึ้นแล้วความหนักมันหายไปไหน แล้วความบอลมนมาอย่างไหนนี่คือปัญหามันใกล้ตัวเรามากแต่เราไม่เคยคิดถึงมันเลยใช่ไหมแล้วถามว่าลักษณะเงี้ยทั้งวันมีอยู่ไหมมีอยู่แล้วเคยใส่ใจมันไหมนี่คือคาตอบถ้าคนนั้นตอนหลังมาเนี่ยเอามาก็เลยมาทําว่าให้ไปดูจุดนี้ให้ชัดๆ คุณไม่ต้องไปพูดถึงว่าอาวิชาก็ให้เกิดตันหาตันหาเกิดอุปาทานอุปาทานเกิดนา ม, มาลุบไม่ต้องพูดให้มันยากเลยให้ไปดูตรงนี้ให้ชัดชัดแล้ววงจรปฏิเสธบาตรทั้งหมดมันจะมันจะหายไปเองแล้วนี้โลดที่ว่าจะเรื่องดับทุกข์ทั้งหลายเนะี่ยมันปรากฏขึ้มันเองแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่มีประสบการณ์ตรงนี้มากนะักเราก็ยังเผลอไปเสพความสบาย เวลามันเบาเราก็อยากอยู่นานๆใช่ไหมเวลามันหนักเราก็รู้สึกอึดอัดลำคาญใช่ไหมฟังพระพูดไปสักพักเนี่งจะมันหนักไม่อยากจะฟังแล้วรำคาญเนี่ยจะลุกหนีละแต่ก็ทนทุ้ี้ไปอย่างเงี้ยนะพระก็หาเรื่องอันนั้นมาพูดหาเรื่องอันนี้มาทําให้มันผ่านๆไปเท่านั้ น, นเองแต่กลับไปแล้วมันก็เหมือนเดิมอ่ะใช่ไหมเอามีค้อหน้ามาใหม่อีกเอาอย่างเงี้ยไม่เคยจบเอามาก็เอ๊ะจะทําไงเอามาก็ว่าหาทางเหมือนกันนะ เที่ยวนี้เอามาไปไปที่อเมริกาเนี่ยเพิ่งกลับมาก่อนนี้ประมาณอาทิตย์สออาทิตย์ไปทำเรื่องนี้โดยเฉพาะนะไปทาไปสองเดือนได้หกได้หกคอร์สเริ่มที่ฟลริดฮาวายหนึ่งเนวาดาสองแอตแลน้าสามกลับมาั้งหมดหกคอร์สเนวาดากรุณานั่งลงจำไม่ดีนะก่อนที่จะนั่งรู้สิ่งไงแล้วนั่งลงเห็นความต่างให้ ช, ะชะัดชัด ต่างไหมต่างและอะไรเริ่มขึ้นใหม่ลักษณะอย่างเงี้ยให้ให้ตามศึกษาเรียนเรียนรู้อาการนี้ไปใ น, ในขณะที่เรายืนระหว่างเดินอ่ะเดินเมื่อกี้เรานั่งกับยืนใช่ไหมเห็นความต่างที่ระหว่างเดินกับนั่งเนี่ยอันไหนเห็นความต่างชัดเจนอันไหนเห็นต่างไม่ชัดเวลาเราเดินเท่าหนึ่งเหยียบหนัก เอาหนึ่งก็จะเตรียมยกเบาแล้วก็หนักแล้วก็เบาแล้วก็หนักแล้วก็บอกหนักกับเบาเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันหรือเกิดขึ้นคนละครั้งแน่ใจไหมเอ๋เห็นท่านจะบอกให้เดินอยู่แล้วว่างเนื่ยแบบนี้ <laughs> พ่อชอบพิสูจน์ให้พิสูจน์เอาเองไม่ต้องเชื่อจะมานะว่าระหว่างเดิน บอกว่าเบาก็ไม่ใช่เพราะมันเริ่มหนักตัวนี้อีกแล้วใช่ไหมพอยกตรงนี้บอกว่าหนักหนักก็ไม่ใช่เพราะมันเริ่มเบาทางนี้อีกอ่ะฉะนั้นหนักกับเบาถึงถามว่าเกิดพร้อมกันหรือเกิดคนละคราวเออก่อนจะตอบพิจารณาให้ดีนะฮะลุกขึ้นใหม่เดินตามอัตมานหนึ่งรอบแล้วจะมาถามอีกครั้งหนึ่ง ทุกอย่างต้องพิสูจน์นะไม่ใช่เชื่อกันไดง่ายในะเรื่องเหล่านี้นะอ่ะผู้ชายมาเท้านี้ตั้งตั้งแถวเลยตามหลวงพ่อมาหลวงพ่อจะนําแล้วก็ต่ อ, ต, อต่อแถวกันไปนะแล้วสังเกตไปเรื่อยๆสังเกตหนักเบาไปเรื่อยๆแล้วจะได้คําตอบหนึ่งรอบเนี่ยต้องได้คําตอบแล้วถ้าไม่ได้ก็จะให้เดินอีกรอบหนึ่งให้ได้คําตอบสัก เหมือนกันสักแปดสิบเเซนขึ้นไปถือว่าจะเป็นคาตอบที่ถูกต้องคำถามก็คือว่าระหว่างเดินเนี่ยหนักกับเบาเกิดพร้อมกันหรือเกิดคนละคราวนี่คือควยชันที่ตั้งไว้ลืมคำตอบนะความเพลิน การความเผลอเพลนเดินเพลินแล้วไม่ได้สังเกตทำให้รู้คาตอบไม่ชัดเจนขณะเดินเรือคิดไม่ได้สังเกตชัดเจนก็ไม่ได้คาตอบเหมือนกันตรงนั้นขาดเกินไปยาช้าเดินให้ทันกันทั้งนั้นะ่ะเดินให้ทันกันเพราะแถวนี้มันไม่มีที่เดิน เออไม่ต้องเดินตามหนอแล้วเดินตามสบายอยหรือว่าตัวที่ทำให้เราเดินลืมสภาวะคือสองตัวคือตัวเพลินลืมสังเกตตัวเผลอลืมสังเกตสภาวะที่ไม่เพลินและไม่เผลอเป็นอย่างไรเราจะได้คำตอบ แล้วได้อรอบทุกคนกรุณายืนอยู่กับที่ยืนอยู่กับที่จัดช่องว่างให้ใกล้เคียงกันผู้ชายเราจัดช่องว่างให้ใกล้เคียงตรงไหนถีขึน้นไปขยับออกตรงไหนห่างขึ้นไปขยับเข้าได้คําตอบชัดๆแล้วจะถามถามแล้วก็จะโหวตว่าคําตอบหนึ่งคำถามมีอยู่สองคำตอบว่า ในขณะเดินความรู้สึกหนักกับเบาเกิดคนละครั้งหรือความรู้สึกหนักกับเบาเกิดพร้อมกันมีอยู่สองคำถามคำถามไหนที่มีผู้โหวตมากกว่าคำถามนั้นไม่แน่ว่าจะชนะหรือแพ้นะแต่ว่าคำตอบคาตอบมีอยู่แล้วอ้าว นั่งสร้างจังหวะทบทวนคำตอบดูให้ชัดเจนว่าจะตรงกันไหมนั่งตามสบายนะคตรมาศก็ได้พับเพียบแปะนั่งยังไงก็ได้ให้สบายที่สุดให้นั่งพร้อมแล้วนะว่าจะคำตอบฟังคำถามกรุณาฟังคำถามและคำตอบอีกครั้ง ในขณะที่เรานั่งและเรายืนเราเห็นความหนักความเบาชัดเจนว่าเกิดกันทีละครั้งแต่เวลาเราเดินเราเห็นความเกิดกับความดับหรือความหนักความเบาไม่ชัดว่า ระหว่างความรู้สึกหนักกับเบาเกิดพร้อมกันหรือเกิดทีละขนะ <c oughs> ก็เลยจะต้องหาคำตอบอท่านผู้ใดเห็นว่าความรู้สึกที่เราเดินเนี่ยระหว่างหนักเวลาเรายกกับหนักเวลาเราเหยียบเบาเวลาเรายกเนี่ย สองอย่างนี้เกิดพร้อมกันใครเห็นว่าเกิดพร้อมกันยกมือขึ้นโยมพันษาช่วยนับให้หน่อยยกมือสูงสูงนับอ๋อไม่เข้าใจคำถามโยมวิชัยช่วยนับให้หน่อยทั้งหมดเท่าไหร่ น, นี้หมายความว่า เกิดพร้อมกันนะคำตอบคำถามคำตอบที่หนึ่งเท่าไหรสามิบสองอ้าวคำตอบที่สองท่านผู้ใดเห็นว่าเวลาเราเดินหนักกระเบา เ, บาเกิดคนละขณะยกมือขึ้นอ้าวคุณวิชัยนบเพราะคุณพันศาตามลูกไม่ทัน สิบแปดไฟเนี่ยเห็นไหมที่มันสว่างมันเกิดจากสายไฟสองเส้นมาทำปฏิริยากันเส้นหนึ่งคือขั้วบวกเรียกว่าโพสิทีฟโพเส้นหนึ่งคือขั้วลบเรียกว่าเนกาตีฟโพเมื่อสองเส้นนี้มาแตะ หลอดในความถีที่เท่ากันจึงเกิดแสงสว่างแต่เมื่อใดความถีระหว่างลบกระบวกต่างกันไฟจะเกิดกระพริบหรือชอ็อตหรือดับนี่คือตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมฉันใดก็ดีในขณะที่เรายกเราเหยียบ ความรู้สึกเหยียบหนักความรู้สึกเท้านี้เบาหายไปแต่อีกเท้าหนึง่งกำลังยกความรู้สึกหนักหายไปความรู้สึกเบาเกิดขึ้นความรู้สึกที่ความคิดที่มารู้เรื่องเนี้ยเป็นความจิตดวงเดียวกันแต่มารู้สองขณะในเวลาเดียวกัน เสมือนว่ารู้พร้อมกันแต่ความเป็นจริงนั้นมันเกิดทีละขณะแต่ว่าเนื่องจากมันมีความถี่ที่สูงมากมันจึงเสมือนว่าเกิดในเวลาเดียวกันถ้าความถี่มันต่ำลงเมื่อไหร่ไฟนี่ยะไปไงกระพริบหรืออ่อนลงเมื่อความถี่สูงมากขึ้นแล้วไฟนี่จะสว่างอันนี้คำตอบที่เป็นรูกประธรรมนะ ดังนั้นชีวิตของเรากําเนิดขึ้นด้วยธรรมชาติสองอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าจุตูตป ป, ปตาตาญาณคือจุติและอุบัติจุติแปลว่าดับอุบัติแปลว่าเกิดถ้าพระพุทธเจ้ามาเห็นการเกิดดับที่เกิดขึ้นนั้นความเป็นพุทธภาวะจึงเกิดขึ้นในขณะ น, นั้นนั้นคือธรรมชาติทั้งหมดทั้งปวงของจักรวาล คือการเกิดและการดับถ้าจะถามว่ามันเกิดทีละขณะหรือเกิดพร้อมกันที่ภาษาเราเรียกว่าเกิดทีละขณะเดียวกัน <laughs> ภาษาปัจจุบันเกิดทีละขณะเดียวกันเข้าใจคำนี้ไหม เกิดทีและขณะเดียวกันมันเป็นคำตอบที่เขาเรียกใช้กัาว่าปฏิสุบะต์คืออิง่ายสาเกิดเกิดตลอดแต่ว่านเกิดที่เราไปใช้ปัจจุบันว่าดิจิตอลใช่ไหมเป็นท่อนเป็นท่อนแต่ว่ามันมีความถี่ที่สูงมากแล้วดูเสมือนว่ามันเป็นขณะเดียวกันทั้งหมดแต่ความจริงมันเกิดที่ขณะตรงนี้เองเรียกว่าเมื่อใดจิตไป เมื่อได้ตัวรู้ไปเห็นจิตการเกิดดับของจิตเมื่อนั้นพุทธภาวะเกิดขึ้นความเป็นพุทธสมบูรณ์ในวันนั้นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเพราะอาศัยได้เห็นสภาวะสองอย่างนี้ทํางานตัวนี้เรียกว่าจุตูปปาตยานแต่ก่อนหน้านั้นท่านตามไม่ทันมันเกิดมันดับไปแล้วถึงจะรู้ว่ามันเป็นอะไรมาอย่างสมมุติว่า คำพูดที่พูดอยู่เนี่ยมันเป็นผลของการเกิดดับของจิตที่มีความเกิดดับที่สูงสามารถทำให้กายใจสมองเนี่ยทำงานร่วมกันด้วยความเร็วที่สูงนะมันก็ออกดูเสมือนว่ากลมกลืนฟังรู้เรื่องเสียงที่กระทบหูเสียงก็จะมา เสียงหลวงพ่อกระทบหูโยมเสียงนี่ก็เป็นการเกิดการได้ยินของโยมก็เป็นการเกิดแต่คำพูดของเสียงมันเป็นจังหวะจังหวะจังหวะจังหวะใช่ไหมมันไม่ได้เป็นต่อเนื่องนะแต่จะพูดช้าพูดไวเท่านั้นเองถ้าพูดไวก็เหมือนว่ามันต่อกันถ้าพูดช้าก็เห็นจังหวะขาดแต่พอหยุดปับ๊บทั้งเกิดทั้งดับก็หายไป เข้าใจไหมอันนี้คือเอาหลักๆไว้ก่อนว่าทั้งหมดทั้งปวงที่เรากำลังปฏิบตัติเพื่อเพื่อจะเข้าไปรู้สิ่งนี้เท่านั้นแต่เนื่องจากว่าการเกิดการดับของอารมณ์ออกมาเป็นการเกิดดับของจิตการเกิดดับของจิตออกมาเป็นการเกิดดับของเวทนาการเกิดดับของเวทนาขยายมาเป็นการเกิดดับของรูปหรือกาย เพราะฉะนั้นถ้าจะแยกให้เห็นการเกิดดับที่ทั้งสี่ระดับระดับกายเรียกว่าการเคลื่อนและการหยุดระดับเวทนาเรียกว่าการหนักและความเบาที่รู้สึกระดับจิตเรียกว่าคิดและไม่คิดระดับอารมณ์เรียกว่าเกิดกับดับ เพราะฉะนั้นในตัวเกิดตัวดับนั้นคือเป็นตัวมอนิเตอร์เป็นใดที่หมุนอยู่ตลอดเวลาแต่มันขยายออกมาเฟืองขยายการเกิดดับเพื่อเห็นชัดขึ้นอีกอีกสามตัวอารมณ์ขยายเป็นจิตจิตขยายเป็นเวทนาเวทนาขยายเป็นกายเพราะฉะนั้นการยกการเหยียบยกขึ้นเหยียบลงจึงเป็นจุดหวาดของการเกิดและการดับยกขึ้นรู้สึกเบา เราสมมุติวันว่าดับเพราะความหนักมันดับไปความเบาเกิดขึ้นดังนั้นในการปฏิบัติเราจึงดูแค่สองอย่างนี้ก็พอแต่เนื่องจากว่ากำลังของยานปัญญาวิปัสนายานของเรายังไม่แหลมคมยังไม่แก่กล้ายังไม่ลึกพอที่จะไปเห็นการเกิดดับขั้น อารมณ์และจิตเราจะมื่อดูการเกิดดับของกายด้วยการเคลื่อนและหยุดเป็นจังหวะถ้าคนไหนทําไวก็จะเร็วการเกิดดับจะไว่จะตามไม่ทันตัวรู้ก็จะกลายเป็นตัวหลงกลายเป็นตัวเพลินกลายเป็นตัวเผลอแต่พอมายกให้เห็นจังหวะที่มันขาดการหยุดการเคลื่อนที่มันขาดชัดเจน ก็จะเห็นการเกิดการดับในระดับกายที่ชัดเจนนั้นในวิธีวิปัสนาจึงอาศัยตัวรู้อันเกิดจากการเกิดดับเป็นอารมณ์ไม่แต่อาศัยกายเป็นตัวขยายให้เห็นชัดขยายยังไงตาบุดิกายเนี่ยมันเคลื่อนมันไหวเองมันเคลื่อนมันหยุดเองเนี่ยไม่ได้แต่เพราะมี อารมณ์มีจิตมีเวทนาเป็นตัวทําให้มันเคลื่อนไหวได้เราจึงมาดูที่ดูกายก็เห็นจิตว่าจิตมันทํางานอยู่ขณะที่เรายกมือมือเป็นเพียงอุปกรณ์ที่เฉยที่ยกแต่ตัวรู้สึกอันเกิดจากการมือเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นตัวจิตออันนี้คือที่ไปที่มาของการปฏิบัติถ้าเรารู้อย่างเนี้ย การปฏิบัติมันจะง่ายเพราะเราจะไม่หวังว่าจะให้จิตที่สงบหรือไม่สงบจะให้รู้หรือไม่รู้เพราะเรารู้ต้นสายปเหตุของมันเรานั่งอย่างนี้อาการหนักมันเกิดที่ตะโพกนี่จะทำไงให้มันความหนักที่ดับไปเราก็ปรับเราเห็นการเกิดดับที่เป็นรูปธรรมคือการดับไปของความหนักความเบาเกิดขึ้น อพอพอเรานั่งลงไปอีกทีนึงความหนักเกิดขึ้นใหม่ความเบาเริ่มดับไปนี่คือการทำงานของตัวรู้เหมือนกับสายไฟสองสายมาแตะเข้ากับขั้วในหลักการของไฟฟ้าที่มันถูกวิธีกา ร, รของเขามันก็จะเกิดแสงสว่าง แต่ถ้าหากว่ามันมีเพียงสายใดสายหนึ่งไปถามพวกช่างไปฟ้าแล้วว่าถ้าใช้เพียงสายเดียวเนี่ยมันจะสว่างไหมเขาบอกไม่สวา่างทั้งที่ดีสายนั้นมีไฟนะเพราะอะไรเขาบอกมันไม่ครบวงจรเพราะนั้นความวงจรของการหมุนของการเกิดกระดับจึงเป็นวงจรที่ไหลเลื่อนตลอดเวลา แต่ว่ามันเกิดและมันดับต่อเนื่องกันเราจึงจําได้ว่าทฤษฎีเลขาคณิตบทที่สามว่าไงเส้นหนึ่งเส้นเกิดจากจุดหลายจุดมาต่อกันใช่ไหมจำได้ไหมสมัยให้เรียนไม่รู้ปฐมวิทยมอ่ะป .4 ใช่ไหมเส้นหนึ่งเส้นเกิดจากจุดหลายจุดมาต่อกันเพราะฉะนั้นจุดหลายจุดก็คือการเกิดและการดับแต่เนื่องจากว่ามันที่มาก ชันใดก็ดีความคิดหนึ่งความคิดเกิดจากการการเกิดและการดับของรูปและนามจึงออกมาเป็นความคิดเพราะฉะนั้นการไปดูความคิดมันจึงเป็นผลแต่เหตุของมันคือความรู้สึกที่มันเกิดจากรูปกับนามแทนที่เราจะไปดูความคิดแต่เรามาดูการทํางานของรูปกนามให้ชัดความคิดมันก็ดับเองเพราะเราย้ายตัวรู้ ที่จะไปดูในผลมาดูที่เหตุดังนั้นเราก็สื่อความหมายคําสอนพุทธิยาว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุเราจะจัดการให้มันดีมันร้ายมันชั่วมันดีมันสุขมันทุกข์ให้จากการที่เหตุการไปจัดการที่ผลนั้นนอกจากจะเป็นไปไม่ได้แล้วก็ยากด้วยเราอยากจะได้นิพพานเราจะไปทํานิพพานให้แจ้งไม่ได้เราต้องมาทําเหตุของนิพพาน เราอยากจะได้แสงสว่างเราจะไปทําแสงสว่างไม่ได้ต้องมาทําเหตุของแสงสว่างเริ่มต้นตั้งแต่หาต้นกําเนิดไฟมีสายเดินจัดการเรื่องรอดเรื่องอะไรเมื่อเหตุสมควรแก่เหตุก็เกิดผลเป็นแสงสว่างเราจะไปสร้างแสงสว่างไม่ได้แสงสว่างเกิดเพราะเหตุที่มันสมดุลกันชั้นใดนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือต้นตอของเหตุทําไมจึงนําเรื่องนี้มากล่าวตั้งแต่แรกเพราะเราทุกคนมันมีความรู้ อันนี้อยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่แจ้งที่ไปที่มาอามาจึงไม่ยอมเสียเวลาที่จะมาพูดยื่นเยอะหลายเรื่องหลายราวทิษฎีมาว่ากันมานั่งเขียนนั่งจดนั่งอ่านนั่งอะไรกันหวบปูฮวบคุณมันก็ยังไม่รู้แต่พอมาจับหลักตรงนี้ได้เนี่ยมันจะเริ่มรู้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าเราเข้าใจนะแต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจเราก็ยังหาเรื่องเรียนศึกษาปฏิบัต ต่างๆ ต, ต่อไปไม่จบเพราะมันไม่หายสงสัยแต่ณนะวันนี้ถ้าเราเข้าใจจุดนี้เรียกว่าเราได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นอะไรเห็นปัจจุบันที่กำลังเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาของการเกิดดับต่อเวลาถ้าเราเป็นผู้ใฝ่ธรรมจริงเป็นผู้ใฝ่เพื่อความสงบจริงเพื่อใฝ่การพ้นทุกข์จริงเราก็จะใส่ใจต่อเรื่องนี้แต่ถ้าเรามาเพื่อศึกษาเพื่อมาพักผ่อนให้สบาย กลับไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวมีงานใหม่มาใหม่ศึกษาใหม่เรื่อยไปเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เจตนาลมของเรามาด้วยมาเจตนาลมอันใดเจตนาลมเพื่อกันดับทุกข์ดับร้อนอย่างจริงใจหรือมาเพื่อพักผ่อนบรรเทาความเดือดร้อนที่มีอยู่สักพักนึงพอลืมพอทุกข์นั้นหายไปก็ลืมไปทำทุกข์ตัวใหม่ขึ้นมาอีกบางคนถ้าอย่างนี้ไม่จบนะนั้นไหนๆเสียเวลามาแล้วเนี่ยอยากจะให ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังและจริงใจนะเพราะเราจะได้ไม่ต้องทุกกันอีกต่อไปเอามาหลังจากรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ปีสองเก้ามาถึงปัจจุบันก็ไม่ไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนอีกก็ทํางานมาตลอดสามสิบปีพอทำอย่างเนี้ยจะพูดเรื่องเดียวนี่แหละแต่มันพูดหลายเวอร์ชันเท่านั้นเองหลายคนหลายภาษาเพราะ ปอมันก็เรียนกอไก่ถึงหอโนฮูจบด็อกเตอร์ศาสตราจารย์มันก็ใช้กอไก่ถึงหอโนฮูไม่มีอะไรตามไปกว่านั้นคนอเมริกาคนอังกฤษก็เรียนแค่ A ไปถึงแซดตั้งแต่ปอยสี่ไปถึงศาสตราจารย์เหมือนกันมันก็ไม่มีเพิ่มไปอย่างนั้นเหมือนกันเรามารู้เรื่องนี้ถึงเรื่องของการรู้ว่ารูปนามธาตุสีขันห้าญาตนาสิบสองเรื่องเกิดดับมันก็ยังมีแค่เนี้ถ้าเรียนจบแค่นี้คือจบ แต่การที่เร จ, จะเอาไปใช้ในเหตุการณ์อะไรในสมมุติอะไรอันนั้นแล้วแต่ปัญญาของใครของมันแต่ปัญญาที่จะมาเห็ น, นจุดเนี้ยมันมีเหมือนกันเพราะทุกคนมีอยู่แล้วนะดังนั้นในการที่มาครันอยากจะมาบอกเรื่องนี้เท่านั้นเองแล้วก็ฉลกที่มาปฏิบัติที่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ฉลกของอาตมา ครั้งต่อไปเอามาเาไปทาที่มันมีศูนย์ที่สองที่สามที่สี่ยมตาว่าเออให้ไปหาธรรมชาติแบบนั้นน่ะจะเข้าท่ากว่านะถ้ามานั่งห้อ ง, องแอร์เนี่ยมาทนไม่ได้จะเห็นคนอื่นร้อนข้างนอกแต่มานั่งเย็นอยู่กันแค่นี้ามารับไม่ได้นะย <c oughs> เอามาๆๆจัดอบรมตามที่ตามที่โล่งที่แจ้งร้อนกับช่างมันศึกษาปฏิบัติ แต่ในร้อนในกรุงเทพมันไม่เหมือนร้อนกับต่างจังหวัดร้อนในกรุงเทพมันจะร้อนประเภทไหนก็ไม่รู้เนะบอกความรู้สึกไม่ถูกนะมนร้อนแบบอืดงิดรำคาญหน้าอืดอัดอะไรนถ้าคนที่ยังไม่รู้จริงนะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะรู้กันนานแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องยากนะแต่มันก็ยากเพราะอะไรเพราะเรายังกำลังสติ สมสัญถะปัญญาที่เราได้หลงลืมไปกับความคิดมาตลอดชีวิตเนี่ยมันจะต้องกู้กําลังของสติสมรญถะพวกนั้นคืนมาให้หมดแล้วถึงจะมารู้เรื่องนี้ได้สมบูรณ์กูม้มานี่มากู้คืนนะกู้กําลังของสติสมรญถะที่มันสูญเสียไปกับที่เราใช้กับความคิดมาตลอดน่ะ ของเก่าในสมัยที่เราเป็นเด็ก เ, กเราไม่มีความทุกข์อะไรนะล่าสุุสนานเราล่าเริงเราไม่รู้จากคําว่าทุกข์ต่อเมื่อเรามารู้สมมุติของผู้ไม่รู้ทั้งหลายั้งนับตั้งแต่พ่อแม่เรามาเนี่ยใส่ให้เราโปรแกรมให้เรามันก็ฝังชิปในเรื่องที่จะคิดในหัวเรามาตลอดจนทุกวันเนี่ยเพรา ะ, ะนั้นเราจะต้องมาเปลี่ยนชิปตัวนั้นออกใหม่ใส่ชิปตัวใหม่เข้าไปคือตัวรู้รู้สึก รู้สึกรู้สึกเข้าไปนะแล้วมันก็จะง่ายรู้สึกอย่างผู้สงบนะไม่ใช่รู้สึกอย่างผู้อยากความความอยากให้มันสงบจากความอยากเอาตัวรู้รู้สึกเฉยๆรู้ที่มีอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องทาบ่อยๆเท่านั้นเองทาให้ความตัวรู้ตัวเนี้ยมันกลับมาเหมือนเดิมมา่อมแซมใช้คำว่า่อมแซม มันชํารุดไปเยอะบางคนชํารุดแบบกูค้คืนไม่ได้นะหลายคนพี่คนพิการโรคจิตโรคประสาทมาเยือนแหละนายความว่านั้นกู้คืนยากแล้วเพราะมันชํารุดไปแล้วอะไรหายไปแต่ของเรานี่เพียงแต่ว่าเอามาซ่อมแซมที่ยังปกติอยู่นดะังนั้นการมานั่งสร้างจังหวะเดินจุกลมนี่เป็นเพียงตัวช่วยเหมือนเราทานอาหารถ้ามีช้อน มีสอมเนี่ยมันทานได้ง่ายกว่าที่จะเปิดมือการยกมือการเดินจงกรมมันเหมือนกับการใช้ช้อนส้อมเหมือนกับการใช้ตะเกียบเป้าหมายเพื่อที่จะลาเลียงอาหารเข้าสู่ท้องเท่านั้นเองก<อ>ารยกมือการเดินจงกรมมันเหมือนตะเกียบหรือช้อนเป้าหมายเพื่อจะลาเลียงตัวรู้สึกเข้าสู่จิตเท่านั้นเอง เวลาเรามีเวลามานั่งทำแต่ถ้าไม่มีเวลามาทำอย่างนี้เราไปอาบน้าซักผ้าขวดบ้านถูเรือนทำกับข้าวการเคลื่อนไหวก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ใส่สติสมัมปชัญญะลงไปในการเคลื่อนไหวนั้นการเคลื่อนไหวนั้นก็เป็นตัวรู้ที่เป็นวิปัสสนาอยู่แล้วตลอดเวลาแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่แจ้ง ว่ากำลังของความรู้สึกตัวเนี่ยที่มานั่งอย่างนี้กับอย่างนั้น่ะมันเหมือนกันไหมอ่าเรายัางไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเราเวลามานั่งปฏิบัติเราก็ตั้งใจทําอย่างจริงจังแต่พอกลับไปบ้านไปเคลื่อนไหวอะไรอย่าว่าแต่กลับไปบ้านเลิกจากนี้คุณไปเข้าห้องน้ําคุณก็เคลื่อนไหวแบบเคยชินหรือล่าทิ้งไปเลยไอ้ตัวที่นั่งสร้างจังหวะตรงนี้ไม่ ความรู้สึกที่เกิดจากการเคลื่อนจังหวะตรงนี้กับความรู้สึกที่เราเดินไปนั้นมันไม่ได้ต่างกันเลยความรู้สึกตัวนั้นแต่เนื่องจากว่าความตั้งใจความเข้าใจความมั่นใจของเรายัางไม่พอกับความรู้สึกตัวนี้เราจึงมาใส่ใจตอนที่มานั่งทำเป็นจังหวะตามรูปแบบแต่ว่าไม่ใส่ใจต่อความรู้สึกที่เกิดจากตามจังหวะที่เราทากิจกรรมการงานต่าง ถ้าเรามั่นใจในความรู้สึกขณะที่เราทำในรูปแบบเหมือนกับเรามั่นใจขณะที่เราทำตัวรู้ในนอกรูปแบบเหมือนกับทาในรูปแบบเสมอกันเราจะไม่ใช้เวลานานเลยในการเข้าถึงสภาวะตัวนี้โดยสมบูรณ์แต่ที่อามาใช้เวลานานตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าจะมารู้เรื่องอะไรเป็นอะไั้งปีสองเก้าเพราะอะไรเพราะว่ามาใช้วิบากกรรม เพราะวิบากกรรมเพราะเราคิดไปกับความสบายและไม่สบายเมื่อเราสบายเราก็คิดตามมันไปเวลาไม่สบายเราก็คิดตามมันไปนั่นคือเราได้สั่งสมวิบากกรรมทั้งสองข้างมายาวนานที่พุทธเจ้าเรียกว่าบรรพชิตพึงละทางสุตรงงทั้งสองข้าง คือความสบายเกินไปเรียกว่ากามสุกันนิการนุโยคความไม่สบายเกินไปเรียกว่าอตตะเรมาทานุโยกผู้ปฏิบัติพึงละทางสุตรงที่ทองข้างเสียแล้วมารู้ความพอดีระหว่างความสบายและไม่สบายอย่าให้สบายเกินไปและอย่าให้ทุกข์เกินไปเอาแค่พอทนได้ สบายก็พอทนได้ไม่สบายก็พอทนได้แต่ส่วนใหญ่เราพอทุกสุขสบายเราก็อยากจะให้มากๆแถมสะสมไวอุตส่าหหาเงินหาทองไวเยอะๆเพื่อจะได้สนองความสุขของเราให้ยาวๆนานๆเพราะเราไปติดมันเราก็วิ่งหนีความไม่สบายตลอดนะอะไนที่ไม่สบายเราหนี มันก็เลยไม่เจอตรงกลางสักทีนึงพอเจอไม่สบายแล้ววิ่งไปทางนี้พอเจอสบายวิ่งไปทางนี้แต่พอเรามาปฏิบัติแล้วเกิดปัญญาแล้วเราจะจับสองขั้วทั้งสบายไม่สบายเข้าหากันมันจะการไปทางสายกลาง ท, างทันทีซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนไม่ใช่เรื่องยากลึกลับแต่ว่ามันเป็นเรื่องลึกซึ้งเท่านั้นเองที่เราจะต้องติดตามไปเรื่อย เพื่อเพิ่มกําลังของปัญญาวิธีนี้เป็นปัญญาวิมุตต์ที่เราทําเนี่ยเพื่อเพิ่มกําลังของปัญญาแต่ปัญญามันเป็นผลแต่ตัวเหตุให้เกิดปัญญาคือสติสัมปัญญาและสมาธิทําสมดุลกันทั้งสามตัวนี้มันก็ก่อให้เกิดปัญญาและปัญญาจะไปเห็นความพอดีของระหว่างความสบายและไม่สบายนะดังนั้นเรื่องนี้จึงอยากจะให้ เราทบทวนอีกครั้งหนึ่งดังนั้นจากนี้ไปขอให้นั่งรัางจังหวะร่วมกันสักพักหนึ่งเพื่อทบทวนในสิ่งที่มานำเสนอมาเมื่อกี้ว่าเข้าใจได้ไหมเข่าขึ้นอย่างนี้นะมาสังเกตความรู้สึกสบายกับไม่สบายในอิเดียบทนี้บ้างฝ่า ข, ขึ้นตั้งแล้วก็ ยันเทาทรายขึ้นเห็นการดับไปของความหนักนปรากฏขึ้นความเบาสบายให้ชัดๆแล้วก็สร้างจางหวดต่ อ, อตรวนี้ง่ายกว่านะ้อไปให้สังเกตว่า ขณะที่นั่งทมยืนทมแล้วก็เดินทมให้เห็นว่าความรู้สึกหนักกับเบาเนี่ยอันไหนที่มีความชัดเจนความหนักชัดเจนอันไหนที่มีความเบาชัดเจนกว่า ระหว่างนั่งทมยืนทำแล้วก็เดินจงกรมให้ดูทั้งสามอย่างเนี่ยว่าการเกิดดับก็ดีการหนักเบาก็ดีเนี่ยอันไหนที่ ท, ที่ที่หนักหนุง ก, กันระหว่างหนักกับเบาแล้วแล้วพอดีระหว่างหนักกับเบาว่าอันไหนหนักเกินไปอันไหนเบาเกินไป อันไหนที่พอดีนี่คำถามเริ่มซับซ้อนขึ้นนะเอาใหม่ระหว่างนั่งทมนั่งสร้างเชียวะยืนทมแล้วก็เดินจงกลุ่มสามอย่างนี้อันไหนรู้สึกหนักชัดอันไหนรู้สึกเบาชัดอันไหนรู้สึกชัดทั้งหนักทั้งเบาเข้าใจนะ เพราะฉะนั้นเรามีข้อสอบให้ทำตลอดเราคงไม่เดินเฉยๆแล้ว น, นะอ่ะหันหน้ากลับไปทางนู้นแล้วก็เดินนอกอาสนะเดินรอบอาสนะอ่ะออกไปยิงข้างนอกก่อนนะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอาสนะสนอกที่มันยาวก็พับเข้ามาจะได้ไม่เตะเออล่ะพร้อมนะ ทบทวนคำถามอีกครั้งระหว่างการนั่งทำยืนทำเดินทำความรู้สึกอันไหนที่ชัดทั้งสามอย่างความรู้สึกเบาชัดความรู้สึกหนักชัดกว่าความรู้สึกชัดทั้งหนักทั้งเบาเอา้าวเริมเดินแล้วก็สังเกตไป ความเพลินและความเผอจะทําให้เราไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนนะนั่นเดินด้วยความเผลินหรือความเผือหรือความเพลินจะเห็นคำตอบไม่ชัดเจนยืนอยู่กับที่ยืนอยู่กับที่ทบทวนการยืนอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้เราได้ คงจะได้คําตอบแล้วว่าในช่วงเดินระหว่างหนักกับเบาสมดุลกันเบาชัดกว่าหรือหนักชัดกว่าที่มาทบทวนการยืนอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก้าวมาที่อาสนะที่นั่งเดิมทุกคนพระเรามานั่งอันนี้พระเรามาข้างหลังนี้ก้าวไปก่อนแล้วก็ เอาซ้ายลงเข่าขวาลงนั่งท่านี้สักพักหนึ่งตรวจสอบความชัดเจนนั่งคุงเขาตั้งชันส้นขึ้นแล้วนั่งแบบเทพบุตรนะชั น, นส้นขึ้นแบบเทพบุตรแบบผู้ชายผู้หญิงก็ลองนั่งดูนะเผื่อนั่งได้ลองลองดู นั่งท่าที่สบายต่อไปนี้อาจมาจะให้ขอข้างนี้แคสิบคนขอทั้นาทางนี้สิบคนดูว่าทั้งนี้สิบคนทั้งนี้สิบคนเนี่ยคำตอบที่ได้ถามไปเมื่อกี้เนี่ยทั้งฝ่ายนี้กับฝ่ายนี้อันไหนที่มีความชัดตัวกันว่าระหว่างที่นั่งยืน เดินความชัดเจน ร, ระหว่างหนักกับเบาและความพอดีระหว่างหนักกับเบาเนี่ยในท่าไหนมีมากกว่ากันลืมจุดจากทางนี้ไปเลยบอกชื่อด้วยชื่อชันชัยนะครับ นั่งนั่งหนักอะครับเดินนี้่จบเดินนี้ได้เบาที่สุดนะครับความรู้สึกคือนั่งนี่หนักสุดนะครับเดินนี้เบาที่สุดครับครับที่สมศักดิ์ครับรู้สึกว่านั่งเนี่ยหนักที่สุด แล้วยืนนี่เบาที่สุดพรรษาครับไล่มาตั้งแต่เดินเบาสุดแล้วค่อยๆหนักมาเรื่อยๆนะครับยืนก็หนักนั่งจะหนักสุดครับชื่อสุทีนะครับเอานั่งจะหนักสุดนะครับยืนจะเบาแล้วก็เดินก็จะเบากับหนักสลับกันครับเท่าๆ ก, กัน ชื่อสุดานะคะก็นั่งนั่งจะหนักที่สุดแล้วก็เดินก็เบาชื่อทาลินนะคะนั่งจะหนักที่สุดค่ ะ, ะเดินก็จะเบาค่ะพรนภาค่ะถ้านั่งก็รู้สึกว่าหนักคือกดน้ำหนักลงไปทั้งตัวแต่เวลาเดินมันก็จะมีหนักกับเบาสลับกัน วิพารัสค่ะนั่งจะหนักค่ะเดินนี้จะเดินจะเบากับหนักแล้วก็ถ้ายืนนี้จะเบาค่ะ่ะชั้ น, นานการ น, นะคะเ อ, อหนักนี่คือตอนนั่งนะคะยืนจะเบาสุดแล้วก็เดินจงกรมนี่จะหนักเบาเท่ากันนะคะชื่อสันทนานค่ะเ อ, อนั่งจะหนักยืนเบาเ อ, อถ้าเดินก็ทั้งเบาทั้งหนัก พอๆกันเนะะี่ยค่ะชื่อว่ารินพรคะ่ะยืนจะเบาที่สุดคะ่ะนั่งจะหนักมากคะ่ะคนสุดท้ายชื่อพรพิไลคะ่ะนั่งหนักสุดแล้วก็เดินเบา <c oughs> คำตอบคล้ายๆกันว่านั่งหนักเดินเบาเนะ แต่ว่าไม่ได้รับคำอธิบายให้ชัดว่าในช่วงนั่งและเดินเนี่ยความเบากับความหนักอันไหนมันชัดบอกว่าหนักชัดความเบาไม่ชัดเวลาเดินเนี่ยความเบาชัดกว่าความหนักไม่ชัดอย่างนั้นหรือเปล่าที่เข้าใจเวลายืนท่านหนึ่งบอกว่าเวลายืนสบาย เบากว่าเพราะฉะนั้นทางเนี้ยจากนี้ไปนะจากลุงรันไปถึงโน่นที่โยมที่เอาผ้าปิดจมูกนะ <c oughs> เป็นสัญลักษณ์ง่ายดีลุงรันให้คำตอบต่อคำถามที่ถามผมชื่อจรันนะครับลุงรันผมว่าเดินนี่หนักเบาพอๆพกันครับ รักเบาพอกันแล้วก็นั่งนี่นั่งนี่ก็นักเบาพอกันแต่ยืนนี่ผมว่ายืนหนักกว่าครับผมด็อเตอร์ศักดิ์ีนะครับคือจากการสังเกตของผมผม่า ทั้งหนักทั้งเบาเท่ากันนะครับครับผมชื่อราชันนะครับก็ก็หนักตลอดเลยครับต้องลดน้ำหนักเลยครับตอนนี้ทุกทุกครั้งที่ที่นั่งลงไปนะครับแล้วเราเปลี่ยนท่าก็จะรู้สึกเบาขึ้นมา แต่สักครู่หนึ่งก็จะเริ่มหนักอีกนะครับพอเปลี่ยนท่าก็เบาสักระยะหนึ่งก็จะหนักอีกไปเรื่อยๆนะครับสลับไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เปลี่ยนท่าก็จะรู้สึกชัดเจนแต่สักครู่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นความเผ ล, ลินละเผลอไปกับมันแต่ในขณะที่เราเดินมันเหมือนเปลี่ยนอริยบทตลอดเวลาเลยครับมีหนักมีเบามีหนักมีเบาสลับกันตลอดรู้สึกว่าเวลาเดินจะชัดเจนกว่าครับจือสวัสดนะครับ ก็รู้สึกว่าถ้านั่งเนี่ยจะรู้สึกถึงความเบาได้ชัดเจนมากส่วนการเดินเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเห็นความหนักชัดส่วนการเดินเนี่ยมันก็จะเห็นทั้งหนักทั้งเบาสลับกันไปครับชื่อวสันนะครับนั่งนี่จะหนักที่สุดยืนนี่ก็เบา แต่เวลาเดินนี่สมดุลกันครับสวัสดีครับอ่ผมวิชัยนะครับท่านั่งเป็นท่าหนักที่สุดเพราะว่าที่หลวงพ่อให้ทํานะครับลองสังเกตดูนะครับตั้งแต่นั่งท่าสูงจุดที่รับน้ําหนักที่สุดที่จะเกิดทําน้ําหนักก็คือตั้งแต่หัวเขา่าต้นขาแล้วก็ฝ่าเท้าแล้วก็นิ้วเท้านะครับส่วนท่าเทพพบุตรที่รับน้ําหนักก็คืออ่า ส้นส้นเท้าจะรับน้ำหนักของสะโพกที่กดทับลงไปนะครับแล้วก็ที่ที่หลังเท้านะครับเพราะฉะนั้นการนั่งเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนยาบทเนี่ยการนั่งมันจะเห็นอาการได้หนักมากกว่านะครับส่วนการเบาเบาเนี่ยผมว่าการเดินเนี่ยมันเบาเพราะว่ามีการถ่ายเทน้ำหนักไปตลอดขึ้นที่ไปนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็จะเบาส่วนการยืนที่บอกว่าเป็นกลางเพราะว่าน้ําหนักจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีความรู้สึกที่ฝ่าเท้าแล้วก็แต่ฝ่าเท้าสองเท้าเนี่ยจะเฉลี่ยน้ําหนักให้อยู่เพราะฉะนั้นอาการที่หนักเบาผมเลยมองว่าการยืนเนี่ยมันจะเป็นกลางๆครับของของหนูคือถ้าสังเกตที่บริเวณที่เคลื่อนไหวอะนะคะความหนักเบาเท่ากันแต่ถ้าเอาเป็นมวลรวมของตัวเน่ย ความรู้สึกว่าถ้าเดินเนี่ยค่ะมันจะมวลตัวที่เดินมันจะเบาเพราะว่ามีการถ่ายเทกันตลอดแต่ถ้าเผื่อถ้าที่นั่งลงมาเนี่ยมันก็จะ เ, เริ่มค่อยๆหนักพอนั่งลงมาเนี่ยมันเป็นมวลรวมที่มันทิ้งลงมามันมีความรู้สึกเหมือนหนักถ้าเราไปจับที่มวลตัวเราก็จะรู้สึกหนักแต่ถ้าเรามาจับที่การเคลื่อนไหวเนี่ยมันเบาหนักเท่ากันค่ะชื่อนายค่ะ หนักเบามันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วยแล้วก็ตอนที่ตั้งใจดูตัวไหนเวลานั่งเนี่ยเราดูที่มือเราสนใจที่มือก็จะรู้สึกว่ามือเบาวกว่ากว่าตัวเวลานั่งเ ท, ทพบุตรปลายเท้ามันจะสั่นอะความสนใจไปอยู่ที่เท้ามันก็เลยรู้สึกหนักที่เท้า เวล า, เาคุกเข่าที่ที่ยืนคุกเข่าครึ่งตัว เ, เข่าไม่ค่อยดีก็จะหนักที่เข่ามากเลยแต่แต่มือ น, นี่เบาหวิวเลยส่วนเวลาเดินมีเวลายืนด้วยเวลายืนนี่ก็เท้าเท้ามันเจ็บนิดหน่อยก็จะไปรู้สึกหนักที่เท้ามือก็เบาค่ะ เวลาเดินเนี่ยช่วงช่วงเปลี่ยนท่าเหมือนพี่ราชันบอกพอเปลี่ยนท่าเนี่ยความหนักความเบาช่วงแรกบางทีมันก็จะหนักกว่าพอเปลี่ยนไปสักพักมันก็จะเบาตอนเดินเนี่ยบางทีเห็นอ่ามันจะเพลินอะค่ะมันก็เลยมันเบาบงมันมันมันรู้สึกมันไม่ค่อยรู้สึกก็มีแต่พอเท้ากระทบพื้นมันก็จะรู้สึกหนักหนัก สลับกันไปสลับกันไปถ้าให้เปรียบเทียบทั้งสามอันอหนูเปรียบเทียบไม่ได้เพราะว่ามันดูเป็นส่วนๆไม่ไม่ได้ดูองค์รวมทั้งหมดอะค่ะ<อ><อ>ชื่อการจจนวันนะคะถ้านางนี้คิดว่าหนักสุดเพราะว่าพื้นผิวที่สัมผัส รับ น, น้ำหนักเนี่ยมันมันมีเยอะกว่านะคะแล้วก็การเดินจะรู้สึกเป็นอิสระและเบามากกว่าค่ะชื่ออุบัติกระเจาคุณค่ะถ้านั่งรู้สึกจะหนักที่สุดนะคะส่วนเบาเดินจะเบาที่สุดนะคะ่าอันนี้ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะโมตสะในเจตนาที่ให้ตอบ ถามตรงนี้คืออะไรเพื่อให้เห็นว่าความหนักความเบาเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันหรือคนละสิ่ ง, น, งนะครความหนักกับเบามันเกิดในที่เดียวกันใช่ไหมเวลาเราเหยียบเท้าหนักเกิดยกขึ้นเบาก็เกิดที่เท้าเหมือนกันเวลานั่งหนักเกิดเวลายกขึ้นเบาก็เกิดที่จะโพกเหมือนกันถามว่าหนักกับเบา เป็นสิ่งเดียวกันหรือคนและสิ่งเป็นสิ่งเดียวกันความสุขกับความทุกข์อันไหนเป็นตัวหนักอันไหนเป็นตัวเบาดังนั้นสรุปว่าความสุขกับความทุกข์เป็นสิ่งเดียวกันได้ไหมยปรพิจารณาเมื่อความหนักเรารู้สึก ความเบาก็รู้สึกในที่เดียวกันเพียงแต่มีตัวแปรคือการเคลื่อนไหวดังนั้นอะ น, นิจังเราบอกว่ามันทําให้เกิดความสุขได้ไหมเพราะมีการเคลื่อนไหวอะ น, นิจังแปลว่าเคลื่อนไหวไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแต่ในตัวเคลื่อนไหวนี้ถ้ามันหยุดลงเมื่อไหร่ก็จะเกิดให้ความหนักคือหยุดนิ่งๆิ่งดังนั้น เราจะบอกได้ว่าการหยุดนิ่งนิ่งนั้นขอให้เกิดหนักมันเป็นทุกขังได้ไหมยู่รื่อีให้ดีนะแล้วก็ในขณะที่เราเปลี่ยนยังไม่ทันที่จะยืนหรือจะนั่งในระหว่างกลางเนี่ยความปรับกัน ร, ระหว่างหนักกับเบาตรงนั้นยังไม่ได้ตัดสินว่าหนักหรือเบาตรงนั้นเราเรียกว่าอนาตาได้ไหม ดังนั้นตัวอ น, นิจจังก่อให้เกิดความสบายหรือว่าสุขเวทนาได้ไหมตัวทุกขังคือตัวหนักที่เราไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นตัวทุกขงังอ น, นิจจังทุกขงังและขณะที่เรากำลังเคลื่อนยังไม่รู้ว่าเป็นหยุดหรือเป็นเคลื่อนต่อเนื่องกันยังไม่ชัดเรียกว่าเป็นอนัตตา เราเรียกว่าโอเบคาเวทนาได้ไหมหรืออทุกขมาสุกเวทนาคือเวทนายังว่าตัดสินไม่ได้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั้นจะบอกได้ไหมว่าตัวสุขทุกข์และอุทุกขมาสุขเกิดจากทุก ข, ขังอันนี้จังทุก ข, ขังอนัตตาเริ่มเรียนไปเรื่อยๆนะอันนี้อย่าเพิ่งรับแต่ให้ศึกษาว่ามันสัมพันธ์กันไหมเราเริ่มเข้าสู่หลักปริยัต ว่าหลักปรียัตาว่าอย่างนี้แต่เราเริ่มมาเรียนตัวสภาวะเพื่อให้สอดคล้องกับตัวปริยัติหรือสมมติเรามาเรียนตัวปรมัติคือความรู้สึกล้วนแล้วแล้วมันเข้ากับภาษาสมมติไหมเพื่อให้มันตรงกันว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ผิดพลาดนะทันไหมทันนะดังนั้นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาทำงานตลอดเวลาใช่ไหม ออกมาสามอาการเกีอยกบารรู้สึกสบายไม่สบายแล้วก็ไม่ชัดว่าสบายหรือไม่สบายแล้วตัวสบายเราไม่รู้เท่าทันความสบายที่ปรากฏแล้วเราไปรู้สึกชอบหรือไม่ชอบความสบายรู้สึกชอบใช่ไหมความรู้สึกที่หนักเรารู้สึกชอบไหม ไม่ชอบความรู้สึกไม่ชัดว่าหนักหรือเบาเราชอบหรือไม่ชอบไม่แน่เพราะยังไม่ได้ไปถึงจุดสุดท้ายมันกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นตัวรู้สึกสบายถ้าเรารู้มันเสียความรู้สึกสบายก็สักได้ ว, ว่าความรู้สึกสบายไม่ใช่สัตว์ตัวตนเราเขา เป็นสักตว่าความรู้สึกสบายแล้วเราก็จะไม่แช่ในความสบายความเพลินก็จะไม่เกิดตัวไหนที่จะมารู้ว่าสบายนี้รู้สึกสบายแต่ที่เราไม่ได้ฝึกฝนตัวรู้สึกสบายเราก็จะชอบนั้นแสดง ว, ว่าตัวรู้สึกสบายก่อให้เกิดความชอบใจถูกต้องหรือไม่ใช่ใช่ไหมความรู้สึกสบายก่อให้เกิดความชอบใจ ความชอบใจทางจิตและความสบายทางกายตัวไหนเป็นสมูทยัยของทุกตัวไหนไม่ใช่สมูทยัยฟังอีกครั้งความรู้สึกสบายทางกายกับความรู้สึกความชอบในความสบายตัวไหนเป็นสมูทยัยตัวไหนไม่ใช่สมูทยัยความพอใจเป็นตัวสมูทยัยตัวรู้สึกชอบ แล้วตัวที่รู้เฉยๆที่จะว่าชอบก็ไม่ใช่ไม่ชอบก็ไม่เชิงตัวนี้เป็นอะไรเป็นกลางความรู้สึกที่เรารู้ทันความสบายแล้วไม่เสพความสบายมันจะไม่เปลี่ยนเป็นความไม่ชอบมันจะมาเป็นความรู้สัต่ร่ารู้ใช่ไหมตัวนี้เป็นอะไรความสบายมาเปลี่ยนเป็นความรู้เราเรียกว่าศีล สติสติกกัศีลเป็นเรื่องเดียวกันถ้าบัญญัติเป็นศีลถ้าเป็นสภาวะเป็นสติทันไหมทันเพราะเรามีพื้นฐานเรียนมาหลายวันแล้วนะเพรา ะ, ะนั้นจะไม่ซ้ำที่เดิมขั้นต่อไปความรู้สึกไม่สบายทางกายที่เราตามไม่รู้เท่าทันมันเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกไม่ชอบ ถ้าความรู้สึกสบายเราเปลี่ยนเป็นความรู้สึกชอบเลยว่าโสมนัสสะเวทนาคือเวทนาทางจิตคือความพอใจความรู้สึกไม่สบายทางกายเราไม่รู้เท่าทันเรารู้สึกไม่ชอบมันขึจะมาเปเวทนาทางจิตเรียกว่าโทมนัสสะเวทนาใช่หรือไม่ใช่ใช่ ความรู้สึกที่ยังไม่ชัดว่าสุขหรือทุกเรียกว่าอมอทุกทุกกมสุขเวทนาถ้าเป็นโกรธต่รักเราเรียกมันไม่แน่มันไม่ชัดว่าเป็นอะไระเราเรียกมันว่า อ, อนัตตาภาวะที่ยังไม่ชัดว่าเป็นอะไรอพอภาวะเป็นเวทนาทางกายเราเรียกว่าทุกทุกกมสุขเวทนาแต่พอมาเป็นเวทนาทางจิตเราเรียกว่าอุเปกขาเวทนาเพราะฉะนั้นเวทานามีสามตัวทางจิต ค, คือสมบรรณะโทมุนัสะ และอเเกขาก็ามาจากอนิจจังทุกขังอนัตตาทันไหมทันเราจะไปตามลำดับนะพ่อเรามีพื้นแล้วขั้นต่อไปตัวรู้สึกพอใจที่ถูกกำหนดรู้ทันเสียก่อนตัวรู้สึกพอใจตัวนี้เขาเรียกว่าอะไร ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัวเรารู้เท่าทันก็เปลี่ยนมาเป็นศีลเหมือนเดิมแต่ถ้าเรารู้ไม่เท่าทันความรู้สึกสบายความพอยใจความยินดีตัวนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นอะไรนันทิมีความเพลินเพราะฉะนั้นผูท้ทีเจ้าท่านแต่ว่าให้ละอะไรละนันทิความสบายทางกายคุณก็ละมันไม่ทันความสบายทางโสมนัสวิทาคุณก็ละมันไม่ทันท่านให้บ巴ะขั้นที่สามเลย ก็ยังทันอยู่คือมาละนันทิคือเริ่มเพลินแต่ในขั้นที่เพลินแล้วเราก็ยังไม่ทันอีกตัวนี้เริ่มเป็นกิเลสอย่างหยาบเรียกว่าราคะนันทิราคะนี่ดังนั้นจะบอกว่าสุเวทนาทําให้เกิดกิเลสตัวที่หนึ่งคือราคะได้หรือไม่อันนี้สื่อให้เห็นต้นตอนนะไม่มั่วนะ เอาละทีนี้ตัวรู้สึกไม่พอใจถ้าเป็นเวทนาทางจิตเราเรียกว่าโสมนัสสะเวทนาคือความไม่พอใจเมื่อเรารู้เท่าทันในความไม่พอใจคือโสมเรามีสติรู้เท่าทันโดยโสโธมณัสสะเวทนาความไม่พอใจกลายเป็นเปลี่ยนเป็ น, ป น, ปนความอดทนเรียกว่าสมาธิขันติปรมังตะปูติติขาคือความอดกั้นต่อเวทนานั้นโดยที่ไม่เข้าไป รู้สึกว่าพอใจหรือไม่พอใจแต่รู้มันเฉยๆสักแต่ว่ารู้แล้วก็ไม่ปล่อยให้เปลี่ยนต่อไปมันกลายเป็นสมาธิด้วยผ่านขันติคือความอดทนด้วยความเต็มใจพอะเราไม่หนีไม่หลบไม่เลี่ยงไม่รังเกียจและไม่รู้สึกว่าไม่ชอบแต่รู้ว่ามันมีอยู่รับยอมรับอาการมีอยู่ของมันภาวะนั้นเรียกว่าส ม, มาสมาธิหรือสัมปชัญญะ สัมปชัญญะและสมาสธิเป็นเรื่องเดียวกันแต่สมาธิที่ปราจจะจากสัมปชัญญะเราเรียกมิจฉาสมาธิตัวนี้ทําทันไหมอ่าทันเอาละ่ะทีนี้ตัวเวทนาละหว่างกลางที่ยังไม่สุขที่ไม่ทุกเราเรียกว่าอทุกข์ขมสุขเพราะมันยังไม่ชัดว่าเป็นสุขและเป็นทุกข์เพราะอยู่ในระหว่างที่เปลี่ยน เราโลกอย่างนี้ระหว่างที่เปลี่ยนแต่รู้สึกปรากฏถึงความเบาเกิดขึ้นใช่ไหมแต่เราไม่สามารถบัญญัติได้ว่าเป็นสุขแต่รู้สึกว่าเบาแล้วการที่เมื่อใดเราเผอเข้าไปเสพความเบานี้เมื่อไหร่ความเบาตัวนี้จะกลายเป็นอะไรเป็นอุเบกขาสัมพุทธชงไม่ใช่อุเบกขาเวทนาแล้วตัวนี้เป็นปัญญาอนัตตา ถูกกำหนดรู้อธุกรรมสุเวินาถูกตามรู้มันเปลี่ยนมาเป็นปัญญาทันนะเพราะอะไรจงมว่าปัญญาคือภาวะที่จิตโปร่งเบาสบายเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่ถ้าจิตหนักนวงทวงทับอุดอัดเป็นเหตุใกล้ให้เกิดโมหะแต่ถ้าหากรู้เท่าทันภาวะอันนี้เราไม่ไปเสพและไม่ไปปฏิเสธ ภาวะของความเป็นกลางลักษณะความเป็นกลางระหว่างสุขทุกข์ที่ เ, เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาดังนั้นสรุปว่าศีลสัสมบริปัญญาเกิดมาจากอณิจังทุกขังอนัตตาใช่หรือไม่ทันไหมคนใหม่ไม่ทันฟังไว้ก่อนก็แล้วกันทั้งนี้เพื่อเราจะได้เห็นว่าหนักและเบาแล ะ, และยังไม่หนักและไม่เบาเราจึงมาดูเหตุตรงนี้เพื่อที่เราจะตามรู้เท่าทันทั้งสามตัวนี้ เมื่อใดเรารู้เท่าทันทั้งสาตัวนี้ทีขึ้นมากขึ้นตัวศีลสมาธิปัญญาครอบปรากฏชัดมากขึ้นแต่เนื่องจากการเจริญสติของเรายังมีเวลาน้อยชั่วโมงบินน้อยประสบการยังน้อยอยู่เรายังไม่ชัดว่าใช่หรือไม่ใช่แต่สำหรับคนที่มีประสบการม า, มาพอสมควรได้ทำมาพอสมควรจะเข้าใจตัวนี้ชัดก็จะยอมรับได้ แต่ตัวนี้คนที่ยังยอมรับไม่ได้ก็แสดงว่าประสบการณ์ตัวนี้ยังไม่เพียงพอต้องทาต่อไปทำความชัดไม่ชัดของทุกของสุขของสบายไม่สบายของหนักของเบานี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ตามรู้ต่อไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งคำตอบวันนี้ก็ค่อยชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้ น, นไม่มันไม่ใช่ถูกไม่ใช่ผิดแต่ยังไม่ถึงเวลาปูนถุงหนึ่ง ถ้าจะให้เด็กสามขวบไปยกถามว่าเด็กคนนี้ยกไหวไหมไม่ไหวเวลาผ่านไปอีกยี่สิบปีเด็กคนนี้กลับไปยกปูนถุงนี้อีกครั้งหนึ่งยกไหวไหมไหวเพราะอะไรเพราะกาลังพ อ, อเราจะถือว่าเด็กคนนี้ผิดก็ไม่ใช่เพราะกาลังมันยังไม่พอคนไหนที่เข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้จะบอกเขาผิดก็ไม่ใช่เพราะ กำลังที่จะพัฒนาตัวสติปัญญาตัวนี้ยังไม่พอต้องทาต่อไปตรงนี้เราถึงทำไแล้วต้องปฏิบัติเพื่อจะพัฒนากำลังของสติสมาธิปัญญาเพราะเราอยู่กับตัวพอใจไม่พอใจและความไม่แน่ใจมานานเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นความรู้เฉยๆโดยไม่เสพความ ทุกขเวทนาเฉยๆโดยไม่หนีแล้วก็อทุกรมสุขเวทนาโดยไม่เพลินมันยากมากเพราะเราอยู่กำนัมมาไม่ใช่ชาตินี้เท่านั้นหลายพบหลายชาติหลายกลับหลายกันทั้งแต่ละเกิดเป็นมนุษย์เวียนว่ายเตยเกิดอยู่นี้เพราะไอ้เจ้าสามตัวนี้ถามว่าไอ้เจ้าสามตัวเนี้ยความพอใจไม่พอใจเฉยๆเกิดจากอะไรเกิดจากอนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาเรียกว่าตรัยรัก เพราะฉะนั้นการทำวิปัสนาที่ว่าเอาไตรลักษณ์เป็นอารมณ์คือไตรลักษณ์ที่มันเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกทางใจเรียกว่าพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆเรียกว่าโทมานัตโสมานัตโทมนัตเอาเบกขานะพอยาวไปกว่านั้นยาวไกว่านั้นก็เปลี่ยนมาเป็นราคะโทสะและโมหะเราก็ไปติดความรู้สึกเป็นราคะในอาหาร ราคาในรูปราคาในกลิ่นราคาในเสียงราคาในรสราคาในสัมผัสและราคาคะในอารมณ์ยังเป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์คือสุขเวทนานั่นเองเพราะฉะนั้นเรามาที่นี่ามาทุงบอกว่าน่าจะต้องไปทํานุ่นที่ไม่มีแอร์ไม่มีฮีทไม่มีพัดลมจะได้สัมผัสของจริงนะแต่ตรงนี้จะนึกความทุกข์เท่าไหร่ก็ไม่ออกเพราะมันเย็นสบาย เราปฏิบัติธรรมอยู่ในสวรรค์นนะนั้นในน้อยครั้งที่อาตมาจะจัดอบรมในห้องเว้นแต่ทางยุโรปอเมริกาที่มันร้อนก็ร้อนจะตายถ้ามันหนาวมันก็หนาวจะตายมันจะเป็นต้องมีฮีทเมแอน์ตรงนั้นภาวะจำเป็นแต่บ้านเราร้อนก็ไม่ถึงกัะตายหนาวก็ไม่ถึงจะตายนะอันนี้คือภาวะทั้งสองอย่างที่เราเรียเรียนรู้นะเพื่อที่จะให้ตัด ลัดเวลาของการเรียนรู้ให้สั้นลงเราจะไม่เสียเวลาเวียนว่ายใจเกิดในความคิดโดยมาตอกย้ําความรู้สึกสบายไม่สบายแล้วก็ไม่แน่ว่ายสบายหรือไม่สบายดูตัวนี้บ่อยๆมากๆแต่ที่เราสร้างจาังหวะเดินจรมเพื่ออะไรเพื่อที่จะดึงจิตกลับมาให้มาดูตัวนี้แต่จิตมันยังไม่ชอบตัวนี้เพราะอะไรเพราะมันหนีมาตลอดไม่พอใจมันก็หนี พอ newer, พอใจมันก็ s, ไปเสรไปติดไปยึดอพอไม่แน่มันก็เพิดเพลินเผลอเพลิดเพลินไปเรื่องราวต่างๆมันก็จะไปอยู่อย่างนี้ตลอดมันถึงได้เกิดมาเป็นเราดังนั้นมาถึงณวันนี้ยเราจะต้องมาตามหาแหล่งกำเนิดของมันว่าเอเราต้องเวียนว่ายใจเกิดมานั่งอยู่ตรงเนี้ยมันมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้ว่ามันมาอย่างเนี้ย แเราจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกไหมต้องเห็นว่าจะเกิดต่อไปอีกไหมถ้ารู้อย่างนี้แล้วถ้าไม่ทําก็จำเป็นต้องเป็นไปอย่างนั้นถ้าทําไม่สําเร็จทําไม่ถูกทําไม่จบ ก, ก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นตลอดอีกนั้นไหนๆมาแล้วทาให้มันถูกทาให้มันจบทุกขาชาติปุณะปุนังการเกิดบ่อยๆเป็นทุกลาไปนั้นพระพุทธเจ้ า, าพบอันนี้ปั๊บเนี่ยถ้าดูทานเลยนะ อุทานว่าไงอเนกชาติสังซ่ารังสันทาวีสั่งอเนปีสั่งขหการังเขเวสั่นโตทุกข่าชาติปุนาปุณังขหาการกาติตโทษิีปุนาเพหังนกาหสิสภาเตภาสุภาภะคาคะภุตังวิสั่งฆาตังวิสั่งฆารกตังจิตตันตันห่านังขยมัจฉาอันนี้เป็นภาษาของท่านเลยนะเราสวดกันแทบุวันในหนังสือเล่มที่เราสวดแต่เราจำมันไม่ได้ ท่านบอกว่าเมื่อเราไม่ได้สติกับเรื่องเนี้ยเราได้เวียนไหวใจเกิดมานับพบนับชาติไม่ทั่วบัดนี้เราเห็นแล้วว่าใครเป็นเบื้องหลังของการเกิดคือตัณหาคือความอยากคือความสบายบัดนี้เรารู้จักเจ้าแล้วเจ้าจะมาสร้างเรื่องสร้างราให้กับใจเราอีกไม่ได้ต่อไปโครงเรือนของเจ้าเราหักเสียแล้วคือขันห้า ยอดเรื่อนของเจ้าเราก็รื้อเสร็จแล้วคืออวิชาเจ้าจะมาสร้างเรื่องสร้างเราให้มาได้กต่เราจะรักษาจิตที่มันไม่มีเรื่องที่จะให้เจ้ามาทำนี้เป็นเรียกว่าวิสังขาระคาตังจิตตังจิตของเราได้ถึงแล้วถึงสภาวะที่ไม่มีอะไรที่จะต้องมาชอบหรือมาไม่ชอบมาปูมาแต่งต่อไปคือสภาวะนิพพานตรงนี้เองเนี่ยท่านท่านอุทานได้ ว, ว่าปชิบาอุทานคาถาอุทาน ดันั้นเรื่องนี้มาว่ามามาเคยเรียนบาลีเคยเรียนมาก่อนแต่หลักการขอหลวงพ่อเทียนมาพูดเรื่องนี้ล้วนๆเนี่ยแล้วหลักปริยัติเขาว่าไงถูกไหมเอามากว่าจะยอมรับได้ถึงใช้เวลานานเป็นสิบสิบปีเพอแล้วต้องมาเทียบกันดูว่ามันใช่หรือเปล่าแต่หลวงพ่อเทียนท่านสอนปรมามัติตรงๆท่านไม่มีหลักปริยัติเข้าไปถึงท่านจะอ้างมาใส่บ้างแต่ว่าก็ไม่ใช่จําเป็นเพราะว่าเห็นว่าเขาใช้กันท่านก็ใช้ซึ่งบางครั้งก็ใช้ถูกใช้ผิด แต่มามาเรียบเรียงดีทีโอท่านใช้ภาษาปรามาัิทั้งหมดหมดเวลาแล้วใช่ไหมได้ยินเสียงละครั่ว่าไ้ยินเสียงละครหมด <c oughs> เพราะฉะนั้นเราเปิดฟรอด้วยเรื่องนี้นะแล้วก็จะทำเรื่องนี้ต่อไปผู้วันจนกว่าจะจบแต่ว่าจะมีวิธีการที่จะให้เราเตือนกลับมาอยู่กับตรวนี้บ่อยๆ ถ้าเราอยู่เพียงชั้นเดียวเราจะเบื่อมากเหมือนกับเราเล่นเกมเกมเพียงชั้นเดียวเกมของเด็กแต่ผู้ใหญ่ไปเล่นเดี๋ยวเบื่อมันจะต้องเล่นเกมเข้าไปหลายชั้นเหมือนหมักลุกหมคอดูหลายๆชั้นเข้าไปแล้วมันจะสนุกนะชั้นกายชั้นเวทนาชั้นจิตชั้นอารมณ์ ความหลักของมันหนักเบาไม่ชัดทั้งหลักทั้งเบาแล้วก็ไปจับอาการอย่างนี้ไปเรื่อยๆตอกย้ำมาอยู่อย่างนั้นแหละทำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำเี่ญญยววิทยาพิอะไรคู่มอ่งทำซ้ำนะ repetition เพราะมันเป็นทฤษฎีญญที่เป็นสากล เราเคยหายใจซ้ำซากมานี้ตลอดชีวิตเราเคยเบื่อมันไหมเราเคยกินข้าวดื่มน้ำมาตลอดชีวิตเราเคยเบื่อข้าวเบื่อน้ำไหมแ้เมื่อไหร่เบื่อเมื่อไหร่เราอยู่ไม่ได้นะเพราะนั้นการยกการเคลื่อนไหวที่เราซ้ำๆั่งทำไมเราจริงรู้สึกเบื่อมันเพราะเรายังไม่เห็นคุณค่าของมันแต่เมื่อใดเรารู้สึกเห็นคุณค่าของมันเราจะเห็นว่านี้มันคือชีวิต แกมันอาจจะไม่ได้อยู่เวอร์ชันเดียวอย่างนี้แต่ว่ามันจะอยู่ในมิติต่างๆในชีวิตของเราตั้งแต่เราตื่นนอนจนไปถึงหลับมันมีทั้งหมดตลอดชีวิตในการเคลื่อนไหวแต่เราเคยดูมันอย่างจริงจังต่อเนื่องหรือไม่นี่อันนี้เราจึงมาตอกย้ำกันนะงนั้นลาดับต่อไปนี้เราก็จะได้แจกหนังสือ นั่งทวัตกันตรงนี้วันนี้ต้องทวัดแบบใหม่หรือว่างเนาะไม่ต้องไปกราบพระกราบกันเองนี่แหละเนาะเนื่องจากหนังสือที่เตรียมมานี่ไม่พอเต็มนั้นเราจึงแจกไม่ได้มีคนบอกหลวงพ่อว่ามีคนสามสิบกวคนเออวันนี้ไม่ใช่สามสิบนี่เท่าไหร่หา้ 59, ยาสิบเก้าเพราะฉะหนังสือจะไม่พอเอาหนังสือเล่มเล็กของเราแจกเล่มบานของเรา เพราะเล่มนี้ไม่พอที่จะแจกเรื่มนี้เพราะว่าเราจะได้สวสดสติปัฏฐานสูตรแต่ใ น, นเมื่อมันไม่ครบคนก็ยังไม่ต้องแจกนะเอาหนังสือเราก็ทําวัดเป็นเวอร์ชั่นใหม่ขณะทําวัดเนี่ยเรารู้สึกยังไงชอบไม่ชอบหนักเบาแล้วหลังจากนั้นจะได้สั ก, สกถามกันการใช้หนักใช้เบาใช้ชอบใช้ไม่ชอบในมิติของการสวดมนต์ การเคลื่อนไหวจำเป็นต้องมีหลายมิติเพื่อให้จะเล่นได้หลายตานะแล้วเราจะสนุกแต่ถ้าเล่นตาเดียวนั่งทำอะไรซ้ำซากเนี่ยมันก็จะเล่นได้ตาเดียวนะเอาหนังสือแจกกันแล้วก็นั่งสวดกันตรงนี้สวดเพื่อการศึกษาไม่ได้สวดเพื่อการบูชาพระเจ้านะะเพื่อให้เกิดปัญญา และปัญญาตัวนี้มันก็จะเป็นตอนแรกเขาเปิดไปคำไหวพ้พระก่อนพักหนึ่งนะพอจบ คำไว้พระแล้วเราก็จะไปพักสองเลยทีเดียวนะพักหนึ่งหน้าหนึ่งก่อนผู้ชายนั่งคุกเข่าขึ้นผู้หญิงนั่งทับ้นพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะระหังสมมาสมพุทโธภะเขาวา พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตราสรูชอบได้โดยพระองค์เอง อุทางพระขวานตังอาภิวาเดมีฆาบาเจ้าอาภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบ <c oughs> สว่างขคตุงมากวัตธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมนามสามี ท้าพระเจ้านามสกรพระธรรมสุปฏิปโนะมวากาสังโฆราสง o สาวกของพระผู้มี พระพเจ้าบาธิบาทดีแลว้วสังขาะมามีอารมพะเจ้ า, า, านอบน้อมพระสงเปิดไปหน้ายี่สิบหักสอง 21่สดัมยังพุทธะภะคะวะโตภูพาภาคะนามกะรังการมะเสนโมอนัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมุทัสสะ นามวันดาสะพะคะวะโตอะระหาโตสัมมาสัมปุตตะสะนามวันสะพะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมปุตตะสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ใครจากกิเลสระสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พุทธังสารนังคาชามีข้าพรเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณาธรรมังสารนังคาชามีข้าพรเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสารณะ อุกังสารนางังคาชามิอาปะเจ้าถือเอาพระสง์เป็นสาระนะทุติยามปิพุทธังสารนาคาชามิแม่ครั้งที่สอง อาพระเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารนาทุติยมปิธรรมงสารนากาชามีแม้ครั้งที่สองอาพระเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสารนา ทุติยมปีอังคังสารนังขัดชามีที <c oughs> ่สองพะใบเจ้าถือเอาพระองค์เป็นสาระนะดาติตยมปีพุทธังสารนังขัดชามี แม่ครั้งที่สามอาพระเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารนาอติยามปิอัมมังสารณะกัจจามิแม่ครั้งที่สาม อาพระเจ้าถือเอาพระองค์เป็นสารณะตั as, um ียำปีขังสารนางคาชามีแม้ครั้งที ä, ่สามาพระเจ้าถือเอาพระองค์เป็นสารณะ เอาไว้แค่นั้นนะทีนี้จะมาบอกว่าที่เราสวดพุทธทางธมังสังคังเนี่ยเราก็ว่าตามพระมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะมีพิธีกรรมอะไรที่ไหนก็นไปรับสินว่าพุทธทางธมังสงังนัตฉามิเราเคยรู้ว่างไม่ว่าคาว่าสางังนัะฉามิเนี่ยแปลว่าอะไร ในตาราแปลว่าอะไรเป็นที่พึ่งใช่ไหมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราได้จริงหรือไม่มาดูตรงนี้นะคําว่าสารณะเนี่ยตามภาษาบาลีมาจากคําว่าสาระแต่ลงณนะปัจจัยตามหลักของภาษาบาลีเรียกว่าอาขยาตเรียกว่าสารณะสระตัวนั้นน่ะ ถ้าเรามาใช้ภาษาไทยเราเขียนคำว่าสอขอสรารอเรือสอขอสรารอเรืออ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรอ่านว่าแอโร่ใช่ไหมอ่านว่าสอนทำไมจึงเอาคำว่าสระมาแปลว่าสอนสระตัวนี้กับสาระกับสติ เป็นรากเดียวกันคือมาสะระารธาตุคือโสเสือรอเรือแต่มาใช้ภาษาไทยเปลี่ยนโสเสือเป็นโสคอสลาตามภาษาสุสกฤตนั้นเราก็สะระพอลงนาปัจจัยรอเรือยังอยู่ไม่ฆ่าธาตุไม่ฆ่าตัวหลังาธาตุแต่พอไปลงติปัจจัยติในอคยานในบาลีมันมีอยู่เก้าตัวยะ ล, ะละวะนะสห แต่พอมาลงติปัจจัยตัวระตัวนั้นหายไปจึงเหลือคำว่าสะอะไรทันไหมฟังอีกครั้งคำว่าสระนะตัวนั้นมาจากลากเดิมว่าสาระสระแต่พอลงนะปัจัยตามหลักของภาษาบาลีมันกลายเป็นสารณ ะ, ะจึงแปลว่าที่พึ่งที่ระลึกใช่ไหมแต่พอเรามาลงติปัจจัย มันฆ่าท่าไปหนึ่งตัวเหลือสอเสือตัวเดียวแต่ติยังอยู่จึงเรียกว่าสติเพราะนั้นคำว่าสติกะสระลูกศรกับคาว่าสารณะเป็นคำเดียวกันพอมาแปลว่าสติถึงแปลว่าอะไรแปลว่าระลึกได้แต่ไปแปลสารณะแปลว่าอะไรแปลว่าที่พึ่งอ่าทำไมจึงแปลว่าลูกสอนลูกศรททำไมแปลว่าสติ เพราะสอนมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่วิ่งไปสู่เป้าหมายให้ถูกต้องและสองวิ่งมีหน้าที่วิ่งไปจับสัตว์ที่ต้องการเช่นนกหนูปูปีกที่นายพรานต้องการยิงให้ทันเพราะฉะนั้นคำว่าสระธาตุถึงแปลว่าวิ่งแปลว่าแล่นแปลว่าไปที่รวดเร็วที่สุดที่จะไปสู่เป้าหมายและไปให้ทันในสิ่งที่ต้องการ ปัจจุบันนี้คําว่าสอนคือว่าลูกศอนเนี่ยไม่ได้ใช้กันแล้วเขาเมาใช้คําว่าอะไรลูกอะไรลูกปืนถูกต้องมันกลายลูกศอนกลายแอโลเป็นบุเลตนะฮ ะ, ฮะเพราะฉะนั้นคําว่าลูกปืนกับสติเป็นคําเดียวกันแปลกไหมแต่ว่าสติมันวิ่งไปจับอะไรให้ทันไปจับจิต แต่ลูกสอนไ ป, ปิงไปจับสัตว์ที่ต้องการยิงยเป้าหมายเพราะฉะนั้นคำว่าสอนหนึ่งพุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตรงสองพุ่งไปสู่สิ่งที่ต้องการคือจับในสิ่งที่เรายิงลูกปืนก็เช่นเดียวกันถ้าคนไหนยิงปืนแม่นก็หมายเขาาเข้าสู่เป้าหมายและได้สิ่งนั้นมา คนที่จะยิงปืนแม่นได้ไหมายความว่าจะต้องเสียลูกปืนไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนลูกกว่าจะแม่นมันจะวางดังนั้นการที่เราจะต้องสูญเสียการยกมือการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งเหมือนเราการซ้อมยิงสอนซ้อมยิงปืนเพื่อให้สติที่เกิดตรงเนี้ยให้มันลึกได้ทันทีให้ไวเป้าหมายของเราต้องการเป้าหมายคือจิตจิตจะเปรตเหมือนนกเปรตเหมือนลิงที่มันวิ่งไปวิ่งมา แต่ในพานต้องการนกก้อการลิงมันจับไม่ได้ต้องใช้ลูกศรหรือใช้ลูกปืนยิง <c oughs> ก็จะได้มาเพราะมันไวแต่ในแง่ของนามธรรมาแล้วเนี่ยท่านจึงเปรียบจิตของเราเนี่ยมันนกที่ชอบบินไปตรงน้นตรงนี้เปรียบเสมือนลิงที่มันวิ่งไปนี่แต่ละเวลาที่บางคนนึงใช้คาว่ามังกีหมล์นั่นเองสติหรือลูกศรหรือ ภาวะที่ระลึกได้ตัวนี้ระลึกเพื่อให้ทันจับจิตกลับมาเพราะจิตมันวิ่งไวไม่มีอะไรที่จะไปจับจิตได้นอกจากคําว่าสติไม่มีอะไรจะไปจับสัตว์อย่างอื่นได้นอกจากลูกปืนลูกศรที่มันไวนะีเพราะฉะนั้นนี้คือรากสาวะสาระนะสาร ะ, ะกับสติเป็นคําเดียวกันถ้าเป็นรูปธรรมหรือว่าที่พึ่งถ้าเป็นนามธรรมหรือว่าที่ระลึก หรือเมื่อไปลข้าสติแปลว่าความระลึกได้ลึกได้เพื่ออะไรเพื่อจะไปนําจิตให้ทันเพราะจิตออกไปเพราะสตินํากลับคืนมาให้ทันพัฒนาสติในระดับในระดับกายพัฒนาระดับสติในระดับเวทนาพัฒนาระดับจิตพัฒนาจิตในระดับอารมณ์มันจึงเขาว่าพัฒนาระดับกายเป็นรูปธรรม เราเรียกว่าตัวสติพัฒนาในระดับรู้ทันเวทนาเรียกว่าศีลพัฒนาให้รู้เท่าทันจิตเรียกว่าสมาธิพัฒนาสติรู้เท่าทันอารมณ์เรียกว่าปัญญาทันไหมดังนั้นเราจรึงมาพัฒนาตัวความเร็วของสติกายอยากที่สุดอยากลงลึกไปคือเวทนา ละเอียดลงไปคือจิตละเอียดลงไปคือตัวอารมณ์หรือว่าธรรมอารมณ์หน้าที่ของเราคือมาพัฒนาตัวกําลังของสติเพื่อให้เป็นสัมปชัญญะเพื่อให้เป็นสมาธิเพื่อให้เป็นปัญญาตัวอาศัยกายเวทนาจิตและอารมณ์เป็นเป้าในการที่จะจับนั้นถามว่าเอ๊ะทำไมต้องทํากันนักหนายกมือสร้างจังหวะสํารวจลมหายใจ ทำเพื่ออะไรพอมาคำทึงถึงตรงนี้มันก็เป็นคําตอบออกมาอย่างนี้เมื่อเข้าใจเป้าหมายชเชติยอย่างนี้แล้วเราก็จึงนั่งสร้างจังหวะเดินจักรกอย่างไม่เบื่อเพราะเรารู้ว่ายกแต่ละครั้งกําลังสติสมรถปรัญญาเกิดทุกขณะทุกขณะทุขณะถ้าคนไหนตั้งใจยกอย่างถูกต้องมันก็ยิ่งเกิดไวคนไหนยกไปอย่างเบื่อเบื่ออยากๆมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะมันไม่ตรงเป้าเหมือนกับช่าง ในพานมันยิงเหมือนกันแต่ว่าไม่ตั้งใจยิงไม่เล็งให้ดีถูกไหมไม่ถูกอยิงร้อยดอกพันดอกไม่ถูกหรือบางทียิงแล้วสัตว์มันวิ่งไปซะก่อนคนไหนสติไม่เข้มแข็งไม่ไวพอตามรู้อยู่เห็นอยู่แต่ว่าเอาความคิดไม่อยู่ความคิดก็ยังคิดเหมือนเดิมนั้นแสดงว่าสติเรายิงไม่ถึงหรือกําลังสติไม่พอยิงแล้วไม่ถูกยิงแล้วไม่ทัน เราจึงว่าพยายามกำพัฒนากำลังของลูกศรคือสติตัวนี้ให้มีกำลังและให้ไวและให้ตรงเรียกว่าทางสายตรงคือทางสายกลางถ้าเราเฉยิยงเฉไปทางสุขก็ไม่ใช่ทางสายกลางยิงไปแล้วเฉไปทางทุกก็ไม่ทางสายกลางยิงไปตรงตร ง, ตรงทางสายกลางมันสู่เป้าเรียกว่าอรอยิยามากักคือเป้าหมายที่ที่ตรงเป้าดังนั้นเอง การที่เราได้มาปฏิบัติในหลักวิธีการคําสอนพระพุทธเจ้าโดยวิธีการพุทเทียนเนี่ยเมื่อสืบค้นไปแล้วทั้งหลักปริยัติหลักปฏิบัติหลักทิเวทตรงกันทั้งหลักสมมุติทั้งปรมัาทมันตรงกันเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จึงปฏิบัติได้ไวเพราะว่าออมันเป็นอย่างนี้เองนะมันเลยง่าย การปฏิบัตินี้แต่ว่าการปฏิบัติยากที่สุดเพราะเราไม่เข้าใจเราทําไปอย่างไม่เข้าใจเดี๋ยวก็ก็เบื่อแล้วก็เลิกก็ไปหาวิธีใหม่พอวิีใหม่ก็ในทํานองเดียวกันแล้วก็เบื่อไปเรื่อยๆก็ไม่จบในที่สุดแล้วก็ไม่ทํานะแต่หน้าวันนี้เราไม่น่าจะถึงเวลาราไม่น่าจะมันน่าจะพ้นจากภาวะนั้นแล้วให้มารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะท่านาเราเป็นผู้ใฝ่ดีเป็นผู้ปรารถนาที่จะพ้นจากทุกเมื่อมาเจอหลักอันนี้แล้วเนี่ย มันยังเลงๆอยู่ก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมที่ยังไม่ถึงเวลาอาจจะต้องไปเวียนว่ายใจเกิดมาอีกหลายชาติจะมาพบกันใหม่แล้วมั่นใจได้ยังไงว่ามันจะพบกันตรงนี้อีกอีกหลายพันปีข้างหน้าเพราะนั้นรีบทามันนี้เสียนะแล้วเราจะดีขึ้นอ่ะเราสวดต่ออีกนิดนึ่งหน้า20อ้าวทีนี้มาดูว่าร่างกายเราประกอบด้วยอะไรบ้าง เออมาจะเอาศีลนี่ก่อนเนาะรับศีลพร้อมกันก่อนนามยังอัฏฐสิกาปาทังพนะมะเสปานาติปาตาเวระมานีเทนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่า อดินานาธานเวรามณีเจตนาเป็นเครื่องเวนจากกา <c oughs> ที่เจ้าของไม่ได้ให้แลว้ว <c> พ <oughs> ระามณีเจตนาเป็นเครื่องเวน อัมมานมิใช่โรมจันมูสาวาทาเวรมณนีเจตนาเป็นเครื่องเวทจากการพูดไม่จริง สุรามมระยะมัชฌาปามาธาณาเว ร, รมะนีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการเสพของรายและอะเมรัยนันเป็นที่ตั้งของความประมาท วิกาลโพชนาเวระมะนี <clears throat> นเป็นเครื่องเว้นจากการบริโภคอาหารในเวราวิกานัจคีตวธิตาวิสุกทันสสะนาว มาราคันทะวิเรปนาทารานมันดาณวิภูสนานธานาเวรามะนีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฟ้อนลามการขับเพลงการดนตรี การดูการเล่นชนิดเป็ดข้าศึก่อกูุศลการท้าสมสวมใส่การประดับการตกแต่งตนด้วยรา <c oughs> <c oughs> ยะนะมาหาสายนะเวรามาณีวันนี้เรารับสินแปดเลยใช่ไหมรับสินแปดนี่ อันนี้เป็นศีลโดยสมมตินะคำว่าศีลเขียนยังไงโสถ้าเขียนเป็นภาษาไทยก็โสเลยรสสลาสลาอีแล้วก็ลอลิงีคือศีเละไม้คำว่าศีลาไหมละไม้คำว่าศีลาไหม ศีลาแปลว่าอะไรทำไมเอาชื่อหินมาตั้งว่าศีล น, นี่คือเราจะเห็นรูปธรรมว่าลักษณะของหินมีกี่อย่างลักษณะคุณลักษณะของหินมีกี่อย่างหนึ่งเข้มแข็งสองหนักแน่นสามไม่หวนไหว 4. ี เย็นหรือร้อนทิ้นานเย็นห้าเวลาทิ้งไปมันจมลึกแล้วอยู่ตื้นมันกิ่งไปหาที่มันจะลึกๆจิตของเรามีลักษณะห้าอย่างที่จะมีสีได้หนึ่งอเป็นจิตที่หนักแน่นจิตที่เยือกเย็นจิตที่ไม่หวั่นไหวจิตที่ละเอียดประณีตลึกซึ้ง ถ้าจิตมีคุณสมบัติห้าอย่างนี้ศีลกี่ข้อรักษาได้หมดร้อยข้อพันข้อแต่ถ้าจิตมีไม่มีลักษณะห้าอย่างนี้รักษาศีลไปตลอดชีวิตกี่ร้อยข้อก็รักษาไม่ได้ถ้าจิตไม่หนักแน่นจิตวันไว้จิตเล่าร้อนจิตไม่ไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งจิตแสบใจพวกเนี้ย แกรักษาสินแต่สมมุติแต่ศินประมัดไม่มีนะเพราะฉะนั้นจป็นแท้คําว่าเอาคาว่าหินเนี่ยมาเป็นชื่อของคําว่าศินนะเพราะลักษณะของอหินเนี่ยมันมีคุณลักษณะห้อย่างนั้นทีนี้ในคําว่าศินเนี่ยเรามาอยู่ที่นี่เรามีเรารับสินแต่ว่าสินที่สมมุติที่เราจะใช้ในที่นี่ เรามาใช้เพื่ออะไรความเป็นระเบียบเรียบร้อยอความเป็นระเบียบเรียบร้อยหนึ่งเวลาเราเป็นนักปฏิบัติถ้าเราไม่รักษาความสงบของกันและกันความวิเวกก็ไม่มีมเรียกว่าเราไม่มีสิ่งข้อสี่ก็ทําให้จิตวุ่นวายจิตขุนมัวจีตเสื่อมหงแต่ถ้าเราไม่เก็บโทรศัพท์เราก็จะคอยรับสายเข้าสายออก คอยรับไลน์คอยรับเฟซคอยรับอ e ีเมลรับเฟซบุ๊ครับ youtube จิตแล้วสงบไหมไม่สงบเพราะฉะนั้นก่อนเข้าไม่ทราบว่าที่นี่มีการเก็บโทรศัพท์ไหมเก็บนั่นเป็นศีล น, นะนี่นคือการรักษาศีลคือเก็บโทรศัพท์คนไหนไม่เก็บโทรศัพท์ถือว่าผิดอะไรผิดศีล น, นะฮะไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ไม่ต้องไปรักทรัพย์ในไหนหรอะศีลคือสมมุติใช้ในความเป็นระเบียบในสถานการณ์นั้นๆ ในสถานการณ์นี้คือสีนเราอย่างนี้ไม่พูดคุยกันเสียงดังเท่าที่จำเป็นไม่มีสิ่งข้างนอกมารบ ก, กวนสื่อต่างๆที่ผ่านจากโทรศัพท์สองข้อละสามถ้าหากว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยสมทานว่าจะปฏิบัติแต่เราอยากจะไปไหนก็ไปที่นี่ตึก ตรงนั้นห้องตรงนี้อยากไปเวลามันเบื่อมันเซ็งก็อยากหลกไปนั่งตรงนั้นไปนอนตรงนี้พิสิทธิ์ไหมพิสิทธิ์เพราะว่าทําไม่เหมือนเพื่อนเพราะฉะนั้นได้รับอนุญาตเออจะไปทำบุละตรงนั้นนีว่าไปไหนต้องได้รับอนุญาตอันนี้ก็เรียกมีศีลแหล ะ, ะข้อต่อไปขณะที่พระอาจารย์กําลังบรรยายหรือขณะที่พาปฏิบัติก็ต้องฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความเคารพ ฟังด้วยความเอือ้อเอื้อเฟื้อไม่ฟังแบบเสียพิได้หรือชวนกันคุยอย่างนี้เขาเรียกว่ามีศิลแหละนะเพราะฉะนั้นสินนี่คือเป็นระเบียบเพื่อจะเอื้อให้เราได้ไปสู่เป้าหมายนะไปสู่เป้าหมายในสิ่งที่เราต้องการอันนี้นั่นเขาเรียกว่าศินที่เราว่าเอามาใช้นั่คือสิลประมัดคือศินทางใจเมื่อเรามีลักษณะอยนี้ปั๊บจิตของเราก็จะรักษาจิตไว้ได้ง่ายคือรักษาศิน รักษาศีลถ้าศีลโดยประมัดแปลว่าปกติศีลโดยสมมุติแปลว่าข้อห้ามแปลว่าสีขาบทแปลว่าข้อพึงงดเว้นข้าศีลสมมุติเป็นศีลสําหรับคนที่ยังไม่มีจิตใจโน้มมาทางนี้ต้องเอานับไปห้ามไว้ก่อนแต่จิตใจคนที่โน้มมาทางนี้แล้วต้องรักษาศีลที่สูงขึ้นไปเรียกว่าศีลประมัดคือทําใจให้ปกตินทําจิตให้ปกติ คือไม่เราร้อนไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านหรือไม่ทำอันเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบให้ปกติกายปกติใจปกติเรียกว่ามีศีลนะมีศีลประมติดังนั้นเองเราก็จึงรับศีลก่อนเวลามาปฏิบัติตั้งแต่ลงทะเบียนในทะเบียนก็จะบอกว่า เ, ออเวลาคุณมาเข้าครอดนี่นะคุณทำอย่างนี้ได้ไหมแล้วก็แจก โปรแกรมประจําวันตารางประจําวันไปให้ว่าเวลารักษาเวลาวเวลาเท่านี้เราจะทําวันนี้วเวลาเท่านี้ถ้าเราทําตามนี้ได้เรียกว่าเรามีสัจจะมีศินข้อสี่อย่างเี้เป็นต้นดังนั้นในการรักษาศินคือรักษาอย่างนี้ที่เราว่ามาเป็นศิลทั้งแปดข้อเนี่ยแต่ในเรื่องสินสมมุตินี่ทั้งแปดข้อรายละเอียดเป็นไงก็ไม่ต้องอธิบายให้ลำบาก เกินจาเป็นนะอ่ะต่อไปในร่างกายนี่มีอะไรบ้างเราทั้งคุกคนเนี่ยมันมีอะไรดูว่าอะไรมีกี่ส่วนที่มาประกอบเป็นเรานี่นะทำไมยังทวัตติสาการาปาทังคณามเมเสอธิมาสมิงกายะในร่างกายนี้มี เกซาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนาคาเอ็นทั้งหลายทันตาฟันทั้งหลายตะโจนางมังสาเนื้อ นาารูเอ็นทั้งหลายอาทิกระดูกทั้งหลายอาทิมินชัางเยื้อในกระดูกวกักกลางตายหาทยังหัวใจยะกะนานังตับกิโลมกังพังผืด ปิหักลางมามปภัยซังปอดอันตังรำไสอันตะกุนังรำไสสุดอุธาริยังอาหารในกะเพาะการิซังอุจาระปิตังน้มดี เสมาสเรตอุโพน้องโลหิตังโลหิตเซโทอเมโทมานอสูน้ำตาไวสาน้ำเลืองเคโรน้ำลาย สิงคานิกานามเมือกละสิกานามเล่นหล่อข้อมดตังนามมตมัทธะเกมัทธาลุงขังในสมองในกะโลกศีรษะอิติดังนี้แล ทีนี้ในอาการสามสิบสองเนี่ยเราจะเดินจงกรมสักพักหนึ่งแล้วอยากจะถามว่าในอาการสิบสามสิบสองเนี่ยรวมแล้วในหลักๆเ ห, หลือกี่อาการแล้วเราก็จะมานั่งถามกันหลังจากที่เราเดินสำรวจเสร็จเรียบร้อยเพราะนั้นในช่วงเดินต้อง ตามดูอาการ32เนี่ยว่าโดยพิสดารมันมี32โดยยอดมันเหลือเท่าไหร่อาการในกายแล้วเนี่ยตอนนี้เราลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินจงกรมรวมกัน